เรานี่ครูเยอะแน่ครูบาอาจารย์มากระลึกบุญระลึกคุณครูบาอาจารย์บุญคุณของครูบาอาจารย์เราระลึกเรากราบเอาไว้เราระลึกเอาไว้เราลืมบุญคุณของครูบาอาจารย์เราก็ลืมพ่อลืมแม่ เราลืมผู้มีพระคุณรวมไปถึงว่าเราลืมตัวลืมตัวลืมบุญลืมศีลลืมธรรมลืมดีลืมชั่วลืมหัวใจดวงนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิดำปีหมดทั้งดวงแม่มีบุญมีคุณไหมเราอยู่ในท้องแม่ดูดเลือดดูดเนื้อแม่กินตลอดมีบุญมีคุณไหม บุญคุณส่วนนี้เลี้ยงพ่อแม่ตั้งแต่เราโตจนเราตายจากท่านชื่ท่านตายจากเราสนองบุญคุณไม่หมดตัวเราทั้งรุ่นเนี่แหละคือของท่านทรานใหมาเนี่ยด้วยทิฏฐิมานะของคนบางคนเนี่ยค่าพ่อได้ค่าแม่ได้มันมืดขนาดไหนหนักหนาสาหัสขนาดไหน มุที่เจาท่านปรับอนันตรยกรรมไม่ธรรมดาฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองฆ่าพ่อฆ่าแม่เท่ากับฆ่าตัวเองตัวเองคือพ่อคือแม่ถ้าเราพยุงเรารักเราห่วงเราถนอมพระคับประคองพ่อแม่เราต้องรประคับประคองตัวเรามันสะท้อนไปถึงพ่อถึงแม่ พระคับประคองดูแลพ่อแม่สะท้อนมาถึงตัวเราเราดูแลเราประคับประคองเราเทิดทูนบุญคุณของท่านเอาไว้เทิดบุญคุณส่วนนี้เรากินไม่หมดตามหลักของธรรมแท้ๆเนี่ยบุญคุณส่วนนี้เรากินไม่หมดเรารับประทานไม่หมดเราเห็นบางคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดีดีดโอ้เราเห็นลราปลื้มใจ เราน้ำตาไหลน้ำตาร่วงปลื้มปิติยินดีไปกับเขาคนไม่ลืมเนื้อไม่ลืมตัวเราเนี่ยใครจะว่ายังไงก็ว่าแล้วกราบไม่ใช่กราบครั้งหนึ่งหนึ่งองค์สององค์นะสี่ห้าหกองนะกราบแต่ละครั้งน่นนงนนนนุนนุนกราบนุนนุนกราบนุน ลองทำดูดิมันต้องฝืนไหมถ้าไม่ลงใจจริงๆมันฝืนไม่ได้หรอกบางคนไม่มีมันไม่มีกระจิกกระใจอะไรที่กราบบางคนเห็นทำเนะี่ยมันไม่มีอะไรถึงจิตถึงใจเลยสักต่ ว, วกราบพอพอเป็นไตเติ้ลสำหรับวันนี้วาระนี้ ต่อไปก็เป็นวรระนั่งสับประกนะวรระต่อไปเป็นวรระนั่งสับประกอา้าวเข้าที่นั่งภาวนานั่งภาวนาเต็มอัตราสึกเลยเพราะงั้นเธอเข้าชัยสมรภูมิแหละตอนนี้เข้าที่เต็มอัตราศึกเมื่อกี้เราก็ผ่านอิริยาบดเดินเดินนี้เราก็เดินเอาสตินะเดินเนี่ย เดินนี่เดินเราเดินเอาสติพุธโทพุธโทพุธโทหรือไม่ก็พุทโทพุธโทพุธโทพุธโทพุธโทพุธโทพุธโทพุธโทพุธโทหรือเราจะกําหนดความรู้สึกที่ร่างกายของเรามันทํางานกําหนดรู้สึกทำซึ่งช่วงให้มันไหมให้มันขาดช่วงไหมให้มันขาดช่วง ไม่ให้มันขาดให้มันต่อพือ้เหมือนเส้นถนนที่มันเส้นทึบๆยาวๆถนนเส้นถน น, น, ถ น, น, น, ถ น, นที่เขาขีดไว้น่ะเส้นทึบๆยาวๆพื้ไปเลยทำความรู้สึกตลอดมันเป็นการประคองใจของเราใจของเรานี่ต้องประคองนะคำว่าประคองหมายความหมายกเอาไว้ถ้าเราไม่ยกเอาไว้ถ้าเราไม่ประคองเอาไว้ใจของเรามันจะตก มันตกไปสู่นิวรณนิวรณก็คือเครื่องยีดขวางงานที่เรากำลังทำอยู่เราต้องต้องการให้ใจมันสงบอยู่กับมันเดียวอา้าวการมชฉันทะเกิดขึ้นแล้วพยาบาทเกิดขึ้นแล้วถีนัมิทะง่วงเหงาหานอนเกิดขึ้นแล้วอุฏจักกุฏจะฟุ้งซาด ร, รำคาญลังเลสงสัยสิ่งยีดขวางคุณงามความดี สิ่งเหลานี้ท่านเรียกวันนิวรนนี่คือประตูแรกที่ทุกคนเจอถ้าท่านดูให้ดีแล้วท่านจะเจอนี่คือประตูแรกคือด่านแรกที่เราจะต้องผ่านเราผ่านตัวนี้ได้เราสงบจิตของเราจะผ่านตรงนี้ได้ต่อเมื่อเราพยายามประคองจิตของเราให้ต่อเนื่องไม่ให้มันขาดเหมือนเส้นประบนถนนเห็นไหมติดขาดติดขาดติดขาดติดขาดติดขาด จิตของเรามันออกไปตรงที่ช่องที่มันขาดขาดนั่นแหละตรงไหนมันขาดความรู้สึกจิตของเรามันออกไปตรงนั้นแหละปั๊ดไม่ทันมันดอกตัณหาเอาไปใช้แล้วตัณหาเอาไปถลุงแล้วมันเอาไปสับไปยำไปอะไรถึงไหนก็ไม่รู้แหละโอ้ยเลือดเยิมกลับมาแล้วถ้าเป็นลงตาท่านบอกโอ้ยไปทํากับอะไรเล่นอะไรก็ยังไงไม่รู้น่ะถูกก็ฟ้าเลือดเยิมกลับมาแล้วเจอกองทุกข์กลับมาแล้วอืม ไ ป, ไปเออกก้วก็ไปเจอกองทุกกลับมาแล้วไปนุ๊กไปเจอกองทุกกลับมาแล้วคือเลือดเยิ้มกลับมาแล้ววา ง, งั้นเถอะลูกตาท่านวา ง, งัันอ่าเราก็ขยับอยู่ตรงนี้แหละมันจะไปไหนอ่ะในเมื่อเราเองเราเป็นผู้ตั้งจิตจำนงที่เราจะจัดจะทำจะสร้างตรงนี้ให้เป็นให้มีให้อยู่ในเงื่อมมือของเรานะ่ยเพียามพระคองให้มันอยู่ ถ้าเราจะเอาพุธไปหาโทกพุธโถจากโถไปหาพุธจากพุธไปหาโถเราเดินอิริยาบทเดินนี้เรากําหนดจดจบพระครับประคองอย่างนั้นแหละหรือไม่เราตั้งบทธรรมพิจารณาพิจารณาถึงความแก่พิจารณาถึงความเจ็บพิจารณาถึงความตายพิจารณาถึงความทุกข์พิจารณาถึงความวิโยคถึงความพลัดพรากถึงอะไรต่ออะไรสารพัด เราสามารถน้อมมาพิจรารณาแล้วก็น้อมมาที่กายของเราน้อมไปกับเรื่องอะไรข้างนอกก็าตามจะต้องน้อมมาเทียบเคียงที่กิริยาที่ใจที่กายของเราที่ใจของเราเราไม่คิดให้ห่างออกไปจากกายของเราจากจิตของเราเราไม่เสียจิตของเราก็จะเริ่มสงบมันไม่สงบโดยหลักธรรมชาติของมันขอให้มันสงบด้วยเจตนาที่เราตั้งใจ มัดเขาให้อยู่อย่าคิดว่าบังคับนะอย่าคิดว่าไม่บังคับเอ้ยภาวนาบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้ภาวนาภาคส่วนเหตุเราต้องบังคับแต่ภาคส่วนผลนั้นท่านอย่าไปบังคับถ้าท่านพยายามบังคับภาคส่วนผลผลจะไม่เกิดอยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้เคยนั่งเบาสบายปลอดโปร่งเห็นแสงนู่นแถงนี่อย่างนี้อยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นไม่ได้ แบบนี้เขาเรียกว่าคาดผลบังคับผลผลจะไม่เกิดผลนี่จะต้องเกิดขึ้นเองของจริงของแท้จะต้องเกิดขึ้นเองผลใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากการบังคับเป็นของปลอมดูให้ดีเราคอยสังเกตสังกาดูผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราตั้งใจทำเวลามันโผล่ขึ้นมาจากการที่เราสร้างเหตุเพียงพอ ผลที่แท้จริงจะมาปรากฏที่ใจของเราใจจะสงบใจจะหยุดใจจะนิ่งใจจะอิ่มคําคำว่ า, าใจอิ่มคือใจมันไม่โดดไม่ดิน้นไปนึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องกายมฉันทะเรื่องพยาบาทกิริยาทั้งหมดของนิวรณ์มันดับหมดมันมาห่อห่มจิตใจของเราไม่ได้ จิตใจของเราก็สบายปลอดโปรง่งเราไม่ต้องว่าพุโทโธจิตมันก็ไม่ไปไหนละเพราะจิตมันอิ่มมันอิ่มจากบทธรรมที่เรากำจับหรือที่เราป้อนเข้าไปในใจของเราจิตของเรามันอิ่มบทธรรมจิตอิ่มบทธรรมแท้ที่จริงคำว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนี้เป็นอาหารใจบทธรรมเหล่านี้เป็นอาหารใจ ไม่ใช่ว่าเราไปเที่ยวดูรูปไปเที่ยวฟังเสียงไ ป, ไปเที่ยวดมกลิน่นไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้หมดทั้งวีทั้งวันแล้วว่าเป็นอาหารใจไม่ใช่อาหารใจอาหารอะไรก็ตามที่มันถูกปากถูกคอของกิเลสกิเลสมันก็เลือกสรรเอาแต่สิ่งเหล่านั้นที่เป็นรูปอะไรรูปดีๆรูปงามๆรูปฉูดฉาดบาดหูบาดตาบาดอะไรมันชอบเหลือเกินนั่นคืออาหารของมันถ้าเป็นอย่างนั้นให้เรารู้ ให้เรารู้เข้าใจเอาไว้โอ้ดิกิเลสมันออกมาหากินแล้วเนี่ยกิเลสมันออกมาหากินแล้วเราไม่ทันมันมันสวมรอยแทนปั๊บมันสวมบทบาทแทนเลยแหละเราตั้งใจภาวนาที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์อารมณ์มเดียวเนี่ยมันไม่อยู่แล้วเอา้ามาสวมปั๊บปั๊บไปไหนแล้วไม่รู้แล้วจับได้ย้อนตามหลังมาอย่าปล่อยให้มันหลุ ด, ม, ลดมือไปเฉยๆนะย้อนย้อนย้อ น, อ น, อนมาจนถึงไอตอนที่เราเผลอ ด้วยเหตุใดเราจึงเผลอด้วยอิริยาบถใดด้วยความนึกคิดอย่างใดเราก็ไปคลี่คลายจุดนั้นการคลี่คลายจุดนั้นมันเป็นการไปแก้ปัญหาตวตาท่านว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีปัญญาอบรมสมาธิหรือเป็นวิธีเจริญสตินั่นเองมันเป็นวิธีปัญญาอบรมสมาธิ หรือมันเป็นวิธีเจริญสติท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราฟันต้นไม้ต้นมันโค่นลงไปแล้วแต่มันยังยังลงไม่ถึงดินมันมีเครือดึงเอาไว้มันมีเครือรังรังเอาไว้ต้นไม้ต้นนี้ไม่โค่นดินเราก็ไปตัดเครือต้นนั้นต้นนั้นเส้นนั้นเส้นนั้นเส้นนั้นเส้นนั้นต้นไม้ก็ล้มคลืนอันนี้เป็นข้ออุ ป, ปมาพอเราทำไปแล้วมันไปติดข้อง ติดข้องอยู่ตรงไห น, นคือจิตของเรามันไปติดมันไปข่องคือจิตข่องจิตแวะจิตชอบจิตจิตอกตจิตใจจิตข้องจิตแวะพอมาถึงตรงนั้นแล้วอา้าวกลายเป็นว่าเป็นอาหารของตัณหาตัณหามาสวมรอยดึงไปแล้วดึงไปที่ไหนได้ไปเป็นศอกได้ไปเป็นเป็นวา่าได้เป็นห้าว่าได้เป็นสิบว่า จับได้ระลึกได้รู้สึกได้ย้อนกลับคืนมามาดูต้นต่อที่มันหลุดไปเนี่ยมาแก้ไขมาคลี่คลายปมนี้มาแก้ไขปมนี้มันเป็นการเหมือนกับว่าจับหางยัดปากมาเลยเพื่อนเถอะฮะมันเป็นภาษาคำพูดจับหางยัดปากของกิเลสเข้าไปเลยอ่ไม่ปล่อยให้มันลอยนวลเข้าไป มันดึงจิตของเราไปไ ป, ไปดึงๆึง ด, ง ด, งดึงไปก็จับได้ย้อนเข้ามาพิจารณาย้อนกลับมาย้อนกลับ า, าทุกครั้งจิตของเราจะเข็ดจะหลบับลองทําดูจิตของเราจะเข็ดจะหลบับจิตที่มันดื้อ ด, ดึงอ่ามันมีหลายวิธีการที่มันจะพาจิตของเราเล็ดลอดออกไปเราก็มีวิธีการหลายอย่างกันที่จะทันมันเอามันจะอยู่หมัดอยู่ด้วยวิธีการใดก็คือความสามารถของเรา ของท่านอยู่ได้ด้วยวิธีนั้นของเราอยู่ได้ด้วยวิธีนี้ของท่านอยู่ได้ด้วยวิธีนั้นของใครอยู่กับวิธีใดท่านเรียกว่าจริตนิสัยของใครของเราขอเราตั้ง อ, อกตั้งใจทำเราอยู่ในอิรยาบทแบบนี้เราสมควรจะเจริญให้จิตได้รับความสงบอยู่กับอารมณ์เดียวคือพุโทโหรือกับด้วยลมก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโท แต่ถ้าเป็นกิริยาเดินเช่นอย่างเราเดินจงกลมเมื่อกี้เนี่ยเราก็คงจะได้ข้อคิดข้อเห็นหลายอย่างแต่ละคนแต่ละท่านาเราเดินใช้สติใช้สัมผัสัญญะเดินแต่ละรอบแต่ละรอบแต่ละรอ บ, รอบเราได้ความรู้เราได้ความฉลาดเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายเยอะแยะอันนี้แหละเขาเรียกว่าวิธีการแบบฝึกหัดหัด สีทุไทยอยู่นี่แหละทำไมจิตของเราจะอยู่ทำไมจิตของเราจะอยู่ทำไมจิตของเราจะใสทำไมจิตของเราจะสงบทำไมจิตของเรามันจะสะอาดจะบริสุทธิ์จากสิ่งปนเปือ้อนเราก็พยายามพยายามทาอยู่อย่างนั้นแหละเดินกำหนดจดจอ่อแล้วแต่จิตนิสัยของไขรของเราหากเราเก็บคุณสมบัติอยู่ในใจของเราเราได้ความเพียร ความเพียร น, นี้เราเอามากำกับที่จิตของเราเพียรตั้งสติเพียรตั้งสติกำกับอิริยาบถ ท, ที่เราเดินไปเนะี่ยหรือเดินไปด้วยดัมริพุทโธพุทโธพุทโธไปด้วยทำความรู้สึกอยู่เฉพาะกับพุทโธก็ได้แล้วแต่จิตนิสัยทำความรู้สึกอยู่กับขวาซ้ายขวาซ้ายก็ได้ ทำความรู้สึกอยู่กับความกระเทือนของร่างกายของเราก็ได้กระเทือนกายกระเทือนทางร่างกระเทือนตรงนั้นตรงนี้ตีนไปสัมผัสสัมผัสหยาบสัมผัสละเอียดสัมผัสเย็นสัมผัสร้อนเหยียบใบไม้เหยียบนู่นเหยียบนี้ที่เราเดินไปสังเกตสังกาการที่ร่างกายของเราไปสัมผัสรับรู้รับทราบได้หมดอยู่กับเนื้อกับตัวตลอดนี่ได้ประโยชน์ถ้าลองทาให้อยู่ได้สัก 30นาที40นาทีเมื่อกี้เราเดินประมาณ45ห้านาทีถ้าจิตของเราไม่วักแว๊กไปไหนโอ้ได้กำลังอย่างยิ่งอันนี้อะไรมันเป็นการพัฒนาเราชี้ไปที่อะไรถึงจะถึงจะพูดได้ว่าเป็นยอดของการพัฒนาเราต้องชี้มาที่จิตการที่เราพัฒนามาที่จิตอันนี้คือยอดของการพัฒนา พัฒนาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นทำนู้นทำนี้ทำนี่ทำทำอะไรก็ตามไปจากจิตลองจิตไม่มีปัญญาจะเอาอะไรไปทำงอครึทึบถื่อยู่นั่นแหละคิดอะไรก็ไม่ออกทำอะไรก็ไม่เป็นเหมือนเหมือนหุน่นซบซึ้งไม่มีความฉับไวไม่มีความรู้สึกแต่ถ้าจิตถูกพัฒนามาแล้วมีสติดีมีปัญญาดีมีอะไรดีมองไปมันแพรวพร้าวไปหมด เห็นอยู่จะจัดจนู้นจะจัดนูจจ้นจะสร้างนี่จะจัดจนู้จะทํานี่จะน้นมันมองเห็นทะลุปุโปร่งไปหมดยอดของการพัฒนาคือก็คือ ก, ออกอ็ยอดของการพัฒนาใจการพัฒนาใจมีสองลำดับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางไว้คือหนึ่งให้ใจหยุดนิ่งไม่ให้มันนึกไปตามอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิน่นเป็นรสเป็นสัมผัสที่ท่านเรียกว่าสมถะแต่เราต้องการให้เขาหยุดเฉยหยุดไม่ได้ดอก ต้องมีงานให้เขาทำงานก็คือพุทธโธพุทธโธพุทธโธมันพ้นที่ไหนอ่ะพูดไปพูดมามันมันไม่พ้นเละพุทธโธพุทธโธหรือลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแท้ที่จริงอานาปานาสติกับบทกำกับลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่มันเป็นลักษณะของอานาปานาสติมันเป็นการเจริญมหาสติ เป็นเหตุให้จิตได้รับความสงบเป็นเหตุให้จิตได้รับความฉลาดได้ทั้งนั้นแหละการที่จิตของเราสงบสงบด้วยการบังคับหมายความว่าเราบังคับภาคเหตุเหตุเราต้องบังคับนะแต่ผลอย่าไปบังคับการที่เราพยายามบังคับผลผิดแล้วอย่าบังคับเราพยายามบังคับเหตุบางคนบอกว่าเอ้ยภาวนาบังคับไม่ได้บังคับ บังคับไม่เปลี่ยนไม่ไม่เปลี่ยนไปบังคับไม่ได้การไม่บังคับจิตจะไม่อยู่การสํารวมก็คือบังคับการสังวรการระวังการกํากับการดูแลการหัดตั้งสติการตั้งความภาคความเพียรการตั้งความอดความทนนี่คือการบังคับมันต้องบังคับเท่านั้นไม่บังคับมันไม่อยู่ใจมันเคยดื้อใจมันเคยลังลอยไปอย่างอิสระเสรี พอเราต้องการให้เขาอยู่เขาจะอยู่ไม่ได้เขาจะไปเป็นไปตามจิตนิสัยของเขาแหละบางคนถนัดเกี่ยวกับเรื่องการคิดลุกลามเกี่ยวกับเรื่องราคาเขาไปจเจริดเบิดเบิงไปทั่วทิพย์ทั่วแดนของมันอืมเป็นไปนึกไปคิดไปปรุงอะไรสรารพัดของมันแหละบางคนก็โทสะเคยขัดข้องหมน่นหมองกับคนนั้นกับคนนีนกนนน้กับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้กับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้นคิดว่าวุ่นอยู่ด็กกับกับสิ่งเหล่านั้นแหะ ราคาโทสะโมหะตั้งราคะก็คือลุ่มหลงหลงเพลินนึกไปไม่รู้เรื่องหรโทรสะหลงเพลินคิดไปปรุงไปไม่รู้เรื่องโมหะแทรกไปทุกอย่างแทรกไปทุกเรื่องตราบใดที่มันเกิดขึ้นมีแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นอะอวิชชามันครอบอวิชชามันมืดมิดปิดทวารปิดจิตปิดใจของเราปิดสติปิ ด, ป, ดปัญญาของเราอวิชชามันครอบ เมื่ออวิชามันครอบแล้ววิชาคือความรู้เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นแต่ความโง่เกิดแต่ความง่ไม่เกิดความฉลาดไม่เกิดความรอบรู้ตราบได้ที่เราเจริญมีสติสำให้จัญญะกากับดูแลโรยู่นั่นนะจิตของเราสว่างจิตของเราสว่างนี่แหละจิตของเรารู้จิตของเราคือวิ ช, ชาจิตของเราเป็นวิ ช, ช า, ามาดูกดูมาที่จิตของเรา ไดอวิชชามันห่อหุม้มมันดึงไปแล้วกิเลสตัณหามันดึงไปแล้วพอมันมืดปับ๊บอสารพิษเข้ามาแล้วยุ่มยามยุ่มยามยุ่มยามในหัวใจของเราพออวิชชามาครอบลคลุมจิตของเราปับ๊บอวิชชามาห่อหุ้มในใจของเราพอความสว่างโผล่ขึ้นมาอสารพิษเหล่านั้นแต่กเจิงหายไปหมดตราบใดที่เรามีสติมีสัมผช่นยากำกับอยู่ที่จิตของเราจิตของเราสว่างมันไม่มืดมันไม่ไม่ถูกโมหะครอบงํา โรอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวอารมณ์อะไร ก, ก็ตามที่จิตอยู่ในขณะนั้นตอนนั้นอารมณ์นั้นจะชัดที่สุดชัดเจนที่สุดอย่าลืมว่าอารมณ์ของเราภายในใจของเราเนะี่ยชัดเจนที่สุดเต็มร้อยเปซ็นชัดเจนได้ครั้งละหนึ่งอารมณ์อารมณ์ใดก็ตามที่มีสติกำกับอารมณ์นั้นจะชัดเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พยายามผูกอยู่กับอารมณ์ปัจจุบัน มีสติกำหนดจดจอกำกับดูแลพยายามสร้างพยายามทำอย่างนี้ให้ต่อเนื่องจากสติพื้นพื้ น, นธรรมดาต่อเนื่องจนเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานเวลาเราอบรมอารมณ์อันเดียวเป็นส ม, มะถะจนจิตได้รับความสงบสงบจนอิม่มเอิบทิ้งคำว่าพุทโธพุทโธ ท, ทิ้งคำบริกรรมจิตก็ไม่ไปไหนจิตอยู่กับ ร่างกายที่มันอิ่มมันเอิบที่เรียกว่ามีปีติอยู่กับปีติอยู่กับความสุขลึกละเอียดลงไปจนถึงอยู่กับอุเบเ ก, กขาเอกคตามีแต่ผู้รู้สว่างโลดอยูนะ่คือความละเอียดลึกคือความสงบความหยุดนิ่งของจิตการให้จิตหยุดนิ่งนี่แหละจิตดวงนั้นจะมีพลังจะมีกำลังที่เรียกว่าสมาธิสมาธิ สมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตสงบแล้วสงบอีกสงบแล้วสงบเล่าสงบเรื่อยๆสงบบ่อยครั้งจิตตั้งมั่นเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานแน่นตึบที่หน้าอกของเราลองดูลองดูอดมันเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานมันแน่นแนบแน่นมั่นคงถ้าจะพูดถึงว่าฐานที่เราจะเหยียบทํางาน เป็นฐานที่แข็งแรงมันง่นคงไม่ใช่เป็นฐานที่ไม่แข็งแรงเราไปทํางานบนพื้นฐานที่ไม่แข็งแรงเราลองเร า, เราลองทําดูอะเช่นอย่างบนขี้ตรงที้คลอนปุ๊บปะปุ๊บปะปุบปะทางานยกของหนักของเบาอะไรจะคล่องไหมมันไม่คลอ่องอืพื้นฐานที่ไม่แข็งแรงมันง่นคงจะหักจะพังจะอะไรจะอะไรไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าจิตของเราสงบแนบแน่นมัน่นคงให้เขามาดูหลักของสัจธรรม มันก็ปรากฏชัดเจนขึ้นมาที่หัวใจของเรากําหนดดูอะไรกําหนดดูกิริยาของจิตจิตตอนนี้จิตอยู่อ้าขยับจากนี้ไปเกาะนู้นตามันไปขยับจากนู้นไปเกาะนู้นตามันไปเราไม่ปล่อยให้มันไปตามอําเภอใจเราพยายามจับอารมณ์ที่ถูกต้องอารมณ์อารมณ์ที่ท่านบอกว่าอะไรคือเราอะไรเป็นเราอะไรคือของของเรา พยายามากำหนดจดจอ่อพยมมายามพิจารณาคอยพยายามมาคลี่คลายอือะไรที่มันแสดงแต่ละขณะจิตออกมาให้เราจับแสดงออกมาปั๊บจับขยับออกมาปั๊บจับ ข, ขยับออกมาปั๊บจับจนไม่มีอะไรที่จะขยับลองขยับดูมันละเอียดนะภายในใจของเราเนี่ยไฟจิตของเรามันจะเริ่มขยับปั๊บจับเอาอะไรไมาจับ เอาผู้รู้ของเราเนี่แหละเอาสติเอาสัมผัจัญญาของเราเนี่ที่เรากาลังกระโดดจอดจอยอยู่ในจับดินปับบนป๊บจับดินปั๊บจับดินปั๊บจับดินปั๊บจับจะม่อยู่ขึ้นนึงมันไม่กล้าขยับลองขยับดูลองจับดูด้วยมีวิธีการอย่างนี้เราสามารถทําจิตให้ได้รับความสงบได้สวัยพุทธการท่านทํารูปปัสมะบัติอรูปปสมะบัติท่านทําได้พิจารณาสิ่งที่เป็นรูป ได้รูปประฌานพิจารณากําหนดบริกรรมสิ่งที่ไม่ใช่รูปเช่นอย่างพิจารณาอากาศพิจารณาวิญญาณพิจารณาอากาสานัญญา ย, ยตนะพิจารณาวิญญาณัญจา ย, ยตนะวิญญาณอากินจัญญายตนะความรู้สึกแม้น้อยหนึ่งก็ไม่มีเนวะสัญญาณาสัญญายตนะพิจารณา ถึงความรู้สึกเหล่านั้นจนจิตละเอียดที่ท่านเรียกว่าอารูปสมาบัตินี่คือความละเอียดแนบแน่นของจิตละเอียดลึกก็ไปถึงนั้นนะเราไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้เอาแค่ว่ า, าจิตของเราอยู่กับบทพุดโธแล้วก็ทิ้งพุดโธไปแล้วจิตของเราสงบแนบแน่นมั่นคงเอามาใช้งานได้เอามาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ มาพิจารณาไล่ต้อนดูอัตภาพร่างกายของเราอนไนเป็นเราเวลาเราปรากฏมันปรากฏที่ไหนอะไรเป็นเรามือนี่หรือคือเราผมนี่หรือผมนี่หรือคนนี่หรือเล็บนี่หรือฟันนี่หรือเราพยายามไล่ดูไปอะไรคือเราอะไรเป็นเราจิตนี่หรืออา้าวจิตก็สักถวานึกสักถวาคิดเวลามันหลงเคลิ้มเข้ามามันก็สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเรา ดูความสําคัญมั่นหมายตัวสัญญารมที่มันยึดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราตัวนี้ละมันคอยหลอกมาหลอกภายเรายึดโดยเหตุที่เรายึดเราจึงถือถ้าเรียกว่ายึดถือยึดถือยึดอะไรก็ถือนั้นยึดอะไรก็ถือนั้นถือว่าเป็นเรายึดว่าเป็นเราถือว่าเป็นเราว่าเป็นตัวของเราว่าเป็นตนของเราว่าเป็นคนของเรา ว่าเป็นเพื่อนของเราว่าเป็นสามีภรรยาของเราเป็นลูกเต้าของเราเป็นผู้มีบุญมีคุณกับเราโอ้ยพอทุกอย่างมีความยึดอยู่อย่างนี้อะไรเกิดขึ้นกับทุกเราเกิดความทุกเกิดขึ้นกับเราโรคภัยแค้เจ็บเกิดขึ้นที่เราเราก็ทุกเกิดขึ้นที่คนนุ่นเราก็ทุกเกิดขึ้นที่คนนี้เราก็ทุกเกิดขึ้นที่คนนั้นเราก็ทุกเพราะเรายึดไปหมดดูตรงไหนเราจึงจะไม่ยึดดูไปที่กิริยาอาการของมัน พยายามใช้สติใช้สัมผัสชันยะกำหนดจดจอ่อพิจารณาลองดูท่านจึงให้มาแยกแยะ ก, กายไม่ว่าเป็นตัวเป็นตนเราสําคัญว่าตัว ก, ก้อนนี่แหละเป็นตนคณะสัญญาคณะสัญญาคอรคังนอนหนูคณะคณะตัวนี้แปลว่าก้อนแปลว่าแท่งสําคัญว่าร่างกายของเราเนี่เป็นก้อนเป็นแท่งนี่แหละตนนี่แหละตนดูไปให้ชัดเจน ดูไปให้ชัดเจนแล้วไม่ใช่คืออะไรผู้รู้สึกถือว่าเป็นตัวตนเนี่ยผู้รู้สึกถือว่าเป็นตัวตนก็คือใจผู้ถือตัวแล้วถืออะไรถือทั้งรุ่นนี่แหละถือว่ากายทั้งรุ่นนี่แหละเป็นเราว่าเป็นของของเราคนนั้นลูกเราคนนั้นปัวเราเมียเราคนนั้นพ่อเราแม่เราถือทั้งรุ่นทั้งก้อนนี่แหละว่าเป็นเรา มันเนื่องจากถือเราเป็นเราละ่ะจึงถือคนอื่นเป็นของของเราความยึดถือเหล่านี้เราดูมาที่ใจของเราเราดูมาที่ใจของเราด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมแล้วก็ฝึกซ้อมด้วยบทที่ท่านให้เราทําเช่นอย่างท่านให้เรามาพิจารณามาแยกเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังอันนี้หรือคือเราอันนี้คืออันนหรือคือเรา สิ่งเหล่านี้มันเป็นดินเป็นน้ําสิ่งที่แข็งแข็งเป็นดินเป็นธาตุดินสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากมูลเดิมสิ่งที่เป็นมูลเดิมท่านเรียกว่าธาตุสิ่งที่มูลเดิมที่เป็นมูลเดิมทั้งหลายทั้งปวงท่านเรียกว่าธาตุธาตุที่พระพุทธเจ้าเอามาให้พวกเราเรียนนั้นมีแค่ห้าธาตุหกธาตุแต่ธาตุธรมหลักวิยาศาสตรนั้นมีเป็นร้อยให้เรามาเรียนมาท่องธาตุนั้นเป็นงันธาตุนั้นไปท่าน ก็จะได้มาดัดแปลงธรรมชาติข้างนอกเอามาใช้เกิดประโยชน์แต่พระพุทธเจ้าท่านให้เราเรียนเพื่อให้เป็นบทกรรมฐานธาตุดินที่มีในกายของเราก็คือสิ่งที่แข็งแข็งเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นเยื่อเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ารวมไปแล้วก็คือสิ่งที่เป็นก้อนเป็นแท่งแต่ว่าอาการเหล่านี้มันมารวมกันเป็นตัวเราเนี่ย ตามภาวะการอุบัติมาของมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ฟักแฟงแตงกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องมีอย่างนี้เป็นจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นเป็ดก็เป็นอย่างนั้นเป็นไก่ก็เป็นอย่างนั้นเป็นหมูเป็นควายเป็นวัวก็เป็นอย่างนั้นเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างนี้ท่านให้เราเรามาเรียนนี่คือหลักธรรมชาติแต่ละอย่างแต่ละอย่างทําให้เรามีมานี่คือธาตุดินธาตุน้ํา น้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดนู่นจนถึงน้ำมูดอืนี่คือถาดน้ำถาดลมลมหายใจเข้าหายใจออกสิ่งเหล่านี้เวลาเขามาเกาะกลุ่มกันแล้วเขาทําหากทําไปโดยหลักธรรมชาติของเขาเหมือนอย่างลมเนี่ยเรานอนหลับเรารู้เรื่องไหมเราตั้งใจหายใจไหมเราไม่ได้ตั้งใจหายใจแต่เขาก็ทํางานของเขาอยู่น่ะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกลองไม่หายใจ มันก็ขาดใจขาดลมร่างกายกมันก็ไม่อยู่แล้วล่ะมันขาดระบบขาดระบบของมันนะแต่บางคนเป็นโรคเป็นโรคขาดลมเหมือนกันนะขาดลมหายใจบางคนหนึ่งนาทีสอนาทีสามนาทีห้านาทีมีนะแต่เจ้าของไม่รู้เรื่องหรอกนอนหลับนอนหลับแล้วมันขาดลมแต่ร่างกายมันก็ยังทรงตัวอยู่ได้โรคนี้ก็มีนะมีจริงๆ คือคือร่างกายมันขาดลมมันเป็นที่ระบบระบบส่วนไหนข้องมันก็นไม่รู้ไปหาถามหมอนั่นอ่อันนี้เขาบอกเป็นจริงๆขาดลมแต่ถ้าหากเป็นคนคนปกติแล้วลมเขาจะทํางานตามเรื่องของเขานี่คือธาตุธาตุเหล่านี้ปรนเปรกกายให้กายเป็นอยู่ได้ไม่ใช่สักแต่ว่าหายใจเข้าหายใจออกเฉยๆนะหายใจเข้าเอาของดีเข้าไป หายใจออกเอาของเสียออกมาเอาออกซิเจนเข้าไปเอาคาร์บอนไดออกมาอาตามหลักทันว่างั้นน่ะตามหลักทันว่าอย่างั้นเราจะเห็นว่าหลักธรรมชาติของกายของเรารู้สึกว่าธรรมชาติของกายมันฉลาดเหลือเกินมันสร้างมันปรุงมาจนมันสามารถอยู่ด้วยตัวนี่คือความเป็นไปของกาย แต่หมายความว่าต้องมีจิตไปจับจองตั้งแต่นู้นปฏิสนธินั่นจิตไปจับจองมาพระจิตไปจับจองมาแล้วได้อัตภาพเหล่านี้มาแล้วจิตไม่สามารถจะบังคับบัญชาอะไรได้เลยนะบังคับบัญชาไม่ได้อจิตไม่ได้บังคับบัญชานะดินก็เป็นดินไปน้ําก็เป็นน้ําไปลมก็เป็นลมไปหายใจเข้าหายใจออกมีเจตนาไม่มีเจตนาไม่ได้เอาจิตมาใช้ร่างกายของเราก็หายใจตามเรื่องของมัน นี่เป็นเป็นเป็นลมปรนโปรนเปลกายเป็นไฟเหมือนกับเอามาอุ่นไม่งั้มันบูดมันเน่าดินน้ำลมไฟของเรามันไม่เหมือนดินน้ำลมไฟข้างนอกอ่าดินน้ำลมไฟของเราสักแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเทียบเคียงมาว่าอันไหนเป็นเอิบอาบซึมซาบอันนั้นเป็นน้ําอันไหนพัดขึ้นพัดลงอันนั้นถ้นทว่าเป็นลมพัดเข้าพัดออกอันนั้นอันนั้นทว่าเป็นลมอันไหนเป็นความอบอุ่นอันนั้นทนว่าเป็นไฟ ธาตุไฟของเรามีไหมธาตุไฟของเรามีเรามาสุขดูที่จกักระแลของเราที่หน้าผาของเราส่วนตามร่างกายของเราเรามีธาตุไฟอบอุ่นเนี่ยดินน้ํำลมไฟอากาศทธาต์เนี่ยอากาศทธาต์แล้วก็วิญญาณธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยหมายถึงใจวิญญาณธาตุเนี่ยหมายถึงใจ ธาตุคือสิ่งที่เป็นมูลเดิมเกิดขึ้นมีขึ้นอยู่ในโลกพวกนนเราเอาของที่มีอยู่ในโลกมาเกิดสิ่งที่เป็นรูปธรรมเอาของที่มีอยู่ในโลกมาเกิดดินน้ำลมไฟเราเอาของที่มีอยู่ในโลกมาเกิดคือนามธรรมคือธาตุรู้ธาตุรู้นี่เป็นนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็ น, life, ปนอาการของธาตุรู้เป็นอาการของผู้รู้ cose, รรอืม ไม่ใช่ผู้รู้ที่แท้จริงเป็นอาการของผู้รู้เรามีขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันทั้งห้าพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าขันทั้งห้านี่แหละคือก้อนทุกข์คือกองทุกข์ขันทั้งห้านี่เป็นกองทุกข์ท่าให้เราตั้งใจภาวนาเพื่อละขันทั้งห้าเรามาพิจารณาดูแล้วอู้หูเราละได้ยังไงขันทั้งห้าทั้งที่เราเพึ่งพาศัยเขาเราละเขาได้ยังไงละการยึด มั่นถือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของของเราถ้าเราละไม่ได้เราก็ทุกข์กับมันอยู่ร่ำไปแท้ที่จริงเรายึดไม่ได้อะไรสักอย่างแต่ความในใจของตัณหาที่มีมาอยู่กับใจเนี่ยมันพายเรายึดยึดว่ากายเราว่ากายของของเราจะต้องอยู่ในเงื้อมมือของเราจะต้องอยู่ในการบังคับบัญชาของเราแท้ที่จริงเราบังคับได้แค่ยืนอิริยาบถยืนเดิน บังคับได้แค่อิริยาบถเท่านั้นเองร่างกายของเราเนี่ยให้ร่างกายยืนจิตนะจิตบังคับกายให้แค่ยืนให้แกเดินแค่นั่งแค่นอนกินดื่มกินดื่มทําทํากิริยาอย่างนั้นทํากิริยาอย่างนี้จิตบังคับให้ทําได้แต่ไม่สามารถบังคับให้จิตอยู่เท่าเดิมได้จิตนี้จะไม่อยู่เท่าเดิมเขาจะเปลี่ยนไปตามเรื่องของเขาเขาจะเจริญในวัยที่ควรเจริญเขาจะเสื่อมในวัยที่ควรเสื่อม ใหพระพุทธเจ้าทนจริงทรงตรัสว่าร่างกายเราต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหากผ่านไปด้วยระยะการเวลาระยะการเวลาล่วงไปวัยก็คือล่วงไประยะการเวลาล่วงไปวัยก็คือล่วงไปหากคนเรานั้นแก่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่คขาบอกแก่ในชนี้เหมือนผลไม้มันเริ่มแก่ มันเป็นต่อมเล็กๆเท่ากับหัวแมงงวันเนี่ยสมัยอย่างมะม่วงผลมะม่วงมันก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นลักษณะการโตขึ้นนั่นแหละทั้งว่ามันเริ่มแก่แก่แก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นร่างกายของเราเหมือนกันแก่ปกปิดอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันเริ่มแก่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แต่มันอยู่ในวัยเจริญมันก็เจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาแก่ขึ้นแก่ขึ้นถ้าเราจะเทียบผลไม้ก็คือแก่แก่แก่จนนู่ะถ้าเป็นมะม่วง จนมีอะไรนะ่ะจนมีเม็ดข้างในนั่นนะ่ะมันแก่แก่จนมีเมล็ดจนหามจนสุกจนหามจนสุกสุกถ้าไม่มีใครเอาไปกินก็มันเหี่ยวตกลงมาก็เหี่ยวเหลือเมล็ดเมล็ดก็ถูกแดดถูกฝนถูกอะไรได้รับไออุ่นพอสมควรออกมาอีกแทงรากออกมาอีกมันก็สืบช่วงกันอยู่อย่างนี้แหละตั้หาที่มันสร้างเรามาแล้วมันก็สร้างสายพันธุ์ของมันเอาไว้ เราไปไล่ดูตามหลักปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดกองสังขารสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดปัจฉัทรศเกิดสลาญตนาเกิดอายตนาภายในหอายตนะภายนอกหสแล้วเกิดสัมผัสสัมพันธ์กันอะไรทีนี้เกิดวิญญาณเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานตัณหาตัณหาใหม่ตัณหาตัวนี้คือตัณหาใหม่ ถ้าเราจะเทียบกับเหมือนกับผลไม้ที่มันต้นมันเก่ามันแก่แล้วมันมีเมล็ดออกใหม่มันก็ไปเจริญเป็นต้นใหม่เอาจากต้นนี้ไปปลูกที่นู่นเอาจากต้นนี้ไปปลูกที่นู่นที่นู่นไปปลูกที่ไหนก็ได้เพราะมันเป็นสายพันธุ์เพราะมันเอาไปปลูกตันหาในหัวใจของเรามันก็สร้างรวงสร้างรางสร้างเผ่าสร้างพันุ์ให้กับมันเช่นเดียวกันวิธีที่จะระงับดับตันหาเหล่านี้วิธีที่จะระงับดับตันหาเหล่านี้ พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ใช้สติใ้สัมพชัญญาใช้ปัญญามาพิจาราดูข้อเท็จจริงเพราะทั้งหมดนี้เราอยู่มาด้วยความลุ่มหลงเรายึดมาด้วยความลุ่มหลงเราเข้าใจผิดมาด้วยความลุ่มหลงหลงคือรู้ไม่จริงคือความไม่รู้ความไม่รู้นี่แหละมันหลอกเราได้สารพัดสารพันธ์อวิชชาแปลว่าความไม่รู้แปลว่าแปลว่าความมืดบอดแปลว่าความโง่ อวิชชาคนเรานั้นเกิดเบื้องต้นไม่ปรากฏพระองค์ทรงชี้ไปที่อวิชชาอาวิชชาไม่ใชเ่เกิดที่พบนู่นเกิดที่พบนี้เกิดที่นู่นที่นี่หากแต่ว่าเราเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไปทุกระยะทุกเวลาเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมตกกระป๋องตุ๊ลงมาเป็นสัตว์เดริราชานเป็นสัตว์ในอาบายซับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้แหละไม่จบไม่สิ้นเพราะความไม่คงที่ของจิตของเรา คิดจับเปลี่ยนไปสับเปลี่ยนมาสับเปลี่ยนมาสับเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้แหละคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดดีก็ขึ้นที่สูงที่ละเอียดอ่าเพราะความดีนะั้นมันเบามันยกเราขึ้นที่สูงแต่ถ้าความเลวนะั้นมันหนักเหมือนก้อนทรายอนะ่ะเราทรายไปวานโปรยลงในน้ำมันก็หนักจมลงแผ่นดินเราลองเอาอะไรที่มันเบาเบาโยนลงไปสาดลงไปในน้ำมันก็ลอยนะ้ำมันไม่จมนะ้า เราเอาน้ำมันสาดเข้าไปในน้ำลองดูน้ำมันก็ลอยผิวน้ำใช้น้ำมันมันจมมันเป็นธรรมชาติของมันมันต้องลอยคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นธรรมชาติที่มันต้องลอยทําให้เราเบาขึ้นทําให้เราดีขึ้นทําให้เราได้พบภูมิที่ละเอียดพระณีตขึ้นแต่ถ้าเรื่องของความเรวซ้ำความชั่วช้าของของบาปของกรรมแล้วทําให้เราหนักเหมือนกับทรายที่เราก้อนหินที่เราโยนลงดิน่ะ โยนลงน้ําจมจมลงไปในน้ําเลยเราทํายังไงก้อนหินตัวนั้นมันจะลอยน้ําขึ้นมาได้คนที่ทําชั่วช้าลามกเร็วสามถึงขั้นถึงขั้นขีดอะจะให้ลอยฟูขึ้นมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ทําชั่วต้องจมเพราะมันหนักคนที่ทําดีต้องฟูคือบุญมันเบาอันนี้คือข้ออุปมาที่เราฟังแล้วเราได้เป็นข้อคิด พยายาชีวิตจิตใจของเราว่าเราอยากจมหรือเราอยากฟูเราอยากเบาหรือเราอยากหนักนความหนักไม่ใช่หนักเฉยเฉยนะทุกจิตใจต้องไปรับบาปหาปกรรมทุกทรมานอยู่อย่างนั้นแหละตรงกันข้ามกับบุญคือความสุขเบาสบายปลอดโปร่งรู้รามีหน้ามีตามีนูนมีรืร่นเริงเพลิดเพลินไปหมดคุนเชื่อว่าเรื่องของบุญคุณสมบัติของจิต มีบุญกับบาปจิตของคนเราไม่แก่และก็ไม่ตายเหมือนอย่างที่เราประรบ ค, คราวที่แล้วจิตของคนเราไม่ตายเพราะจิตเป็นธรรมชาติของธาตุที่เป็นมูลเดิมที่มีอยู่ในโลกแต่ว่าด้วยเหตุที่จิตของเราไม่บริสุทธิ์นั่นเองปนเปื้อนมากับอวิชชาตันหาวปาทฐานคือกิเลสจิตมันปนเปื้อนมาด้วยกัน พระพุทธเจ้าท่านสามารถตั้งใจประพฤติปฏิบัติจนสามารถแยกกิเลส ต, ตัณหานั้นออกจากหัวใจของเราได้เหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวของพระองค์สูญไปจากโลกไหมหายไปจากโลกไหมไม่สูญไม่หายไม่ละลายไม่หายหน้าหายตาไปไหนเมื่อพระองค์ยั ง, งทรงธาตุขันอยู่พระองค์ก็ใช้พระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์นี่แหละมาประกาศพระศาสนา แต่พันอาศัยสมมุติคือร่างกายใช้ปากาพูดบอกสอนเดินเท้าเดินไปเทศไปบอกไปสอนที่นู่นที่นี่บินทบาตขบฉันใส่ท่า ด, ดินน้ำลมไฟเข้าไปใน ใ, ในในปากในท้องเพื่อให้ร่างกายนี้เป็นไปอยู่ได้ประกาศพระศาสนาอยู่ถึงสี่สิบห้าพระพันษาท่านเอาท่ารู้ของพระองค์ที่บริสุทธิ์นี่แหละมาประกาศพระศาสนาไม่ได้สูญไปไหน แม้พระองค์ประนิพพานไปแล้วธาตุสี่ดินน้ำลมไฟของพระองค์คือพระรูปของพระองค์นะ่ะสลายไปตามกาลดินไปเป็นดินน้ำไปเป็นน้ำลมไปเป็นลมไฟไปเป็นไฟแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ของพระองค์ยังอยู่ดินไปเป็นดินปปน้ำไม่ใช่หายไปไหนน้ำไปเป็นน้ำลมไปเป็นลมไฟไปเป็นไฟไม่ใช่หายไปไหนเพราะมันเป็นธาตุมันเป็นมูลเดิมที่มีอยู่ดั้งเดิมในโลก พวกเราทั้งหลายเอาของเก่าที่มีอยู่ดั้งเดิมในโลกมาเกิดถ้ารู้ที่บริสุทธิ์ของพระองค์เนี่ยเวลามาพาดพิงส ม, มุติเอาถึงเห็นถ้าไม่มาพาดพิงสมมติจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นพระเจ้าพระธรรมพระสงค์ที่เรากราบไหว้ระลึกบุญระลึกคุณอย่าทําด้วยความมักง่ายกระเทือนถึงพระองค์นถ้ า, าเรารำพึงรำพันอ้างบุญญาบา ร, รมีของพระองค์อามาช่วยปัดเป่า สัพอันตรายทั้งหลายอำนวยให้ได้รับความสุขได้รับความเจริญเราว่าไปเอว่าเองอือเองออเองอะไรเองแต่ด้วยเหตุที่จิตของเราเนอมไปถึงผู้บริสุทธิ์ทำให้จิตของเรามีพลังมีอานุภาพนะแม้แต่เราเอาพระนามของพระองค์มาบริการพุทโธพุทโธอย่าลืมว่าในระหว่างที่เราทำพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้เป็นแบบอย่าง พุทโธพุทโธเป็นแบบฝึกหัดมันเป็นแบบอย่างแต่ถ้าเราทําไปแล้วจิตของเราสงบนั่นแหละคืออัฏฐสาระที่แท้จริงพุทโธแปลว่าตื่นแปลว่าเบิกบานพูดตื่นผู้เบิกบานพูดตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานพุทโธพุทโธความหมายพุทโธไม่ธรรมดาพระุทธเ้าพุทธะพุทธะชื่อว่าพุทธะแปลว่าพูดตื่นผู้รู้ผู้เบิกบาน เวลาเราทําใจให้เขาเราได้รับความสงบไปแล้วเราเข้าใจถึงเนื้อหาสาระของคําว่าพุทโธ โ, โอนี่คือพุโทโธจิตของเรามันตื่นไม่ถูกอวิชชาครอบงําไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำนิวรณ์ก็คืออวิชชากิเลส ก, ก็คืออวิชชาตัณหาก็คืออวิชชาอุปาทานก็คืออวิชชาอวิชชามันครอบครอบแล้วมันเป็นไปได้หมด เป็นเส้นเป็นสายนู้ไปถึงโสกปริเทวะทุกขโทมณัสสัพยาธทุกทุกทุกทุจนเป็นจนตายนั่นน่ะถ้าอาวิชชามันครอบขึ้นมาทีไรเมื่อไรแล้วพระจิตของพระพุทธเจ้าอวิชชาไม่ครอบตัณหาไม่มีตัณหาหมดพิจารณาสลสลัดปล่อยวางได้จนหมดเมื่อตัณหาไม่มีอุปาทานก็ไม่มีพพก็ไม่มีไม่มีที่เกิดผู้ที่จะไปเกิดในภพนั้นก็ไม่มี ว่าไม่มีก็ไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่ต้องมาแก่ไม่เจ็บมาตายไม่ต้องมาวิโยกไม่ต้องมาพราดพลาดพุทธเจ้าทําจนถึงขั้นนี้นี่คือพุทธเจ้าอันนี้คือแนวทางคือเป้าประสงค์ที่พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ศึกษาพยายามศึกษาแล้วพยายามไปให้ถึงนี่วิธีแรกคือท่านให้เราสงบการสงบนั้นมีพลังในตัวเราจะเห็นว่าบางคนมีอนุภาพของจิต จิตสงบจิตมีพลังจิตมีอนุภาพมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาสารพัดที่จะเกิดเกิดขึด้นในที่นั้นและที่แน่แน่ที่สุดก็คือความสุขเต็มแปร่ยอยู่ในนั้นอเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความสุขเพราะวิ่งตามตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสนะสิ่งเหล่านั้นเป็นอามิตรถ้าเรามีความสุขแล้ววิ่งตามสิ่งเหล่านั้นมันเป็นความสุขเชี่ยวเดียวะ เกิดขึ้นจากสุขเขไวทนาไม่ใช่สุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขเกิดขึ้นจากความสงบสงบหมายถึงอะไรสงบหมายถึงตันหาสงบใจสงบหมายถึงตันหาในใจมันสงบใจไม่สงบหมายถึงตันหามันกวนใจเราได้ใจของเราจึงไม่สง บ, น, บนึกโกรดนึกโกรดนึกรักนึกชังนึกเกลียดนึกอิจฉาทิษยาพยาบาทอืม จิตของเรานึกรักนึกชังนึกโกรธนึกเกลียดจิตของเราจรึงไม่สงบจิตสงบก็คือตัณหาเหล่านั้นสงบตัณหาเหล่านั้นสงบได้ไหมสงบได้ด้วยเราปลุกจิตของเราให้ตื่นตื่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตของเราตื่นอยู่กับคาว่าพุทโธเนี่ย จนมันอิ่มจนมันทิ้งคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธจิตก็ไม่ไปไหนมันอิ่มเหมือนควายเหมือนวัวที่เราให้เขากินอิ่มแล้วเนี่ยเขาก็นอนอย่างนั้นอ่ะเขาไม่ต้องไปดิ้นรนหากินถึงเราจะแก้เชือกออกเขาก็ไม่ไปไหนเขาไม่หิวเมื่อก่อนมันวิ่งไปกินที่นู่นกินที่นี่เพราะมันหิว เ, เมื่อมันอิ่มแล้วก็นอนเท่านั้นเองจิตของเราเวลาเราให้เขาบริโภค ทำบริกรรมบทธรรมจนอิ่มแล้วเขาก็จะเขาก็จะอิ่มเมื่ออิ่มแล้วก็นอนอยู่กับที่เราไม่ต้องกล่าวพูดโทเขาก็อยู่เขาก็สงบสงบจนเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานให้กับหัวใจของเราจิตสงบมีความสุขสติอยู่ในนั้นมองคนอยู่ในนั้นลาบอยู่ในนั้นยศอยู่ในนั้นเกียรติอยู่ในนั้นอะไรจะมี อะไรจะมีลาบมียศมีเกียรติยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเพราะฉะนั้นใครได้สิ่งเหล่านี้ได้สมถะธรรมได้วิปัสนาธรรมคนนั้นไม่ต้องพูดถึงยอดถึงเกียรติเพราะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็เนื้อกับตัวเต็มแปรอยู่แล้วอืมีความสุขมีความเอิบอิ่มเป็นผู้มีบุญนี่คือใจดีใจดีก็คือใจมีบุญบุญแปล ว, ว่าความดี ปุญยะปุญยังภาษาบาลีภาษาไทยแปลว่าวอะไรแปลาว่าความดีอะไรดีกายดีวาจาดีใจดีใจดีสุดยอดก็คือใจสงบใจดียอดเยี่ยมก็คือใจตัดสลัดละเล็ยตัญหาสวรหัวใจของเราได้จิตฉลาดแพรวพราวนี่คือใจใจดี กายดีเอาศีลมากำกับวายจาดีเอาศีลมากำกับคนที่มีพฤติกรรมกายไม่ดีคนมีพฤติกรรมวาจาไม่ดีคนนั้นไม่มีศีลดอกลองไปหาดูศีลสักตัวอาจจะไม่มีเลยซ้ําไปไม่มีศีลสักตัวใครมีพฤติกรรมที่กายไม่ดีชอบฆ่าสัตว์ชอบลักทรัพย์ชอบประพฤติผิดในการร ม, อมชอบกินเหล้าเนี่ย นี่คือสาเหตุแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นของง่ายๆเป็นของตื้นตื้นแต่พวกเราก็ตายน้ําตื้นเราทิ้งหมดเราพูดถึงจริยธรรมจริยธรรมคืออะไรถ้าเราทิ้งศีลทิ้งธรรมแล้วเราจะเอาอะไรมาพูดจริยธรรมแมเม็ดเดียวก็ไม่มีพูดถึงจริยธรรมเราจะต้องมาดูหลักว่าศีลกับธรรมศีลธรรมศีลห้าเราลึกได้แค่ศีลห้า พวเราถือศีลห้าเรามีสามีเรามีภรรยาเราบริโภคกามแต่ที่จริงพุทธิยามไม่เคยส่งเสริมกามแต่ด้วยเหตุที่มนุษย์จําเป็นต้องมีคู่ครองมนุษย์ต้องอยู่กันเป็นคู่เออขอให้เขามีคู่ครองไม่ให้เขาล่วงละเมิดออกนอกใจกันแค่นี้เขาตั้งใจเภาหนาใจสงบตั้งใจพิจารณาให้เห็นอัตเห็นธรรมได้เขามีศีล ถ้าเป็นการใช้ไฟก็คือใช้ไฟในเตางั้นเถอะไม่ใช้ไม่ได้ไม่เอาไฟไปใช้ใช้นอกเตาเราอาไปใช้นอกเตาดูอยิ่งยุคสมัยใบไม้มากมายเยอะแะเดี๋ยวไหม้ไปหมดทั้งป่าทั้งดงในที่นี้หมายความว่าไม่ใจลองเราออกนอกเตาพับนี้ไม่ใจนี่สี่ห้าเราลืมไม่ได้อข้อสี่พูดเท็จพูดอยา่าพูดโซเสียดพูดเฟอเจอ เนี่ยคือใจไม่ดีถ้าพฤติกรรมดีจะต้องเป็นเป็นคนพูดดีไม่พูดหยาบไม่พูดสอดเสียดพูดสุภาพเรียบร้อยพูดปิยะวาจาหวานเหมือนน้ําผึ้งนะจิตใจงามปิยะวาจารสชดรสรสชาติของความงามรสชาติของความงาม ปิยะวาจาวาจาเป็นที่รักนะมัุมัุรสนะมัุวาจาเนี่ยวาจาเหมือนน้ําพึ่งมัทุรสคือรสน้ําพึ่งน้ําพึ่งหวานอันนี้ก็คือคําอุปมาอุปไมยแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วพูดหยาบหยาบคายสารพัดโอ้ยบางคนเนี่ยได้ยินแป๊บโอ้โ้แทบจะเอาหัวสุกแผ่นดินหนีพูดคำหยาบหยาบ พูดส่อเสียดพูดให้คนผิดกัน่ะพูดส่อเสียดก็คือพูดให้คนกิดคนผิดกันแสดงกิริยาส่อเสียดเหมือนอย่างเคยยกตัวอย่างเทวดาเกเร ے. เทวดาเกเรตนหนึ่งเห็นพระเทเรสอ ง, ององเนี่ยติดกันมากไปไห น, ไ ป, ไ, หนไปด้วยกันไปไหนไปด้วยกันเหมือนผัดตงโกงกันเถอะเทวดาเกเรตอนนี้นึกสนุกขึ้นมาเอ แต่จะต้องให้พระเถระสององค์นี่แต่กันนะบางเอื่นพระเถระสององค์ท่านเดินผ่านดงไปเดินผ่านป่าไปเออคอยอยู่ตรงนี้ก่อนเราไปเข้าป่าแป๊บเดียวไปหนักหรือไปเบากันไม่รู้เพื่อนก็ยืนดูอยู่นี่แหละสักหน่อยหนึ่งเพื่อนที่เข้าป่าไปก็กลับมาเทวดาเกเรได้ช่องเพราะได้ช่องเลยแปลงตัวเป็นผู้หญิง เดินกระพือผ้าตามหลังมาโถโถโถเพื่อนมองไปเห็นเสร็จแล้วเพื่อนเรานะ่ยไปเสียกับผู้หญิงแล้วนั่นนั่นเผู้หญิงเดินกระพือผ้าตา ม, มาแต่กันกระเจิดกระเจิงตั้งแต่นั่นเป็นต้นไปนี่คือกิริยาโสเสียดเป็นบาปเป็นกรรมนะไปตกนรกหมกไหมไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เทวดาตนนั้นนะพอเวลามาถึงพบชาติที่พระพุทธเจ้าเมารบันะได้มาบวชนะ หลังจากบวชมาแล้วเนี่ยเดินไปไหนเขา เ, เขาเห็นมีรูปผู้หญิงเดินตามกรรมเก่าที่ไเคยแปลงร่างเป็นผู้หญิงอะ่ะเดินไปไหนก็ เ, เห็นเป็นรูปผู้หญิงเดินตามอย่างนั้นเวลาเขาใส่บาตเอออันนี้ส่วนหนึ่งของท่านอันนี้ส่วนนี้เป็นส่วนของสหายของท่านดาเคเร่ <laughs> แต่ในที่สุดได้บรุษยธรรมได้เหมือนกันนะหลังจากมนุษยธรรมไปแล้วน่าจะหายนะผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงนะเรื่องกรรมเหล่านี้น่าจะหาย หรือหายหรือไม่หายก็ตามแหละแต่จิตของท่านพ้นไปแล้วก็ถือว่าหมดโอกาสแล้วเป็นกรรมทั้งนั้นเลยนะนี่คือส่อเสียดกิริยาส่อเสียดอย่าลืมนะพูดยาพูดส่อเสียดพูดเพอรเจอพูดเกินขอบเขตพูดโกหกมันไปจากคำพูดโกหกอันนี้มันเป็นมันเป็นปีิเป็นย่อยไปจากการพูดโกหกคือกิริยาไม่ดีมันเป็นศีลในศีลในกรรมบดศีไปดูศีลของกรรมบด กายกรรมสามวิจีกรรมสีมโนกรรมสามรวมเป็นสิบเราไปดูศีลในกรรมมบทนะมันเป็นทั้งศีลมันเป็นทั้งธรรมในตัวนั่นแหละมันละเอียดเราไปดูเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของใครมีความสงบมีศีลห้าครบสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นคนดีเป็นผู้มีกรรมมีศีลดีเป็นผู้มีความสงบทางด้านจิตใจท่านบอกมีธรรมดีมีใจดี วาจาไม่พูดส่อเสียดเพื่อเจอตลกกาลองพูดเท็จเป็นผู้มีวาจาดีพูดดีพูดเป็นเหมือนน้ำพึ่งน้ำหวานชวนให้คนติดชวนให้คนดื่มรสรสของวาจารสของคำพูดนั่นแหละใจดีใจดีก็คือใจสงบนอกจากสงบเกลียดแสดงตัวไม่ได้แล้วสงบ เนื่องจากเอาตัวมันออกจากจิตได้ทั้งหมดสละปล่อยวางได้ทั้งหมดจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์จิตหลุดจิตพ้นจิตหลุดพ้นไปแล้วธาตุรู้ดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตการไม่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปไหนอีกเที่ยงมั่นคงอยู่อย่างนั้นเพราะไม่เป็นสังขารนะจิตของพระอรหันต์พระยัสสาวกจิตของพระพุทธเจ้า ท่านไม่เรียกสังขารท่าเรียกว่าวิสังขารเป็นอื่นไปจากสังขารเพราะคำว่าสังขารคือสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปอันนี้ของท่านหนึ่งเดียวอ่ไม่มีพบที่จะไปอยู่ไม่มีระยะเวลาที่จะไปจํากัดไม่มีพบจากัดไม่มีระยะเวลาจํากัดจึงพูดได้ว่าดํารงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอาการนอนันตการพุทธิยถาท่านทรงตรัสว่านี่แหละประมังสุขขัง คือความสุขอย่างยิ่งทําไงพวกเราจะจะเข้าถึงความสุขอย่างยิ่งได้เราก็ไปไปตามเส้นทางนี่แหละสินสมาธิปัญญานี่แหละที่กาลังพูดอยู่นี่แหละอืมสินสมาธิปัญญาก็รวมลงในหลักก็คืออริยมรรคมีองแปดอริยมรรคมีองแปดพุดทธเจ้าท่านกระทรงมาแสดงในปฐมเทศนาเห็นไหมเนื่องจากพระองค์ลองผิดลองถูกมาแล้วข้อปฏิบัติการมาสุขาลิการโยก ประกอบตนพวพันในกามนะอัตกิะลมมันทานาโยกทำตนให้เหน็บเหนื่อยเปล่าทั้งสองทางนี้เป็นทางผิดทำให้เปลี่ยนให้ตายก็ไม่ได้อะไรสักอย่างได้แต่ทุกได้แต่โทษทางที่ถูกต้องก็คือทางท่ามกลางในเมื่ออันหนึ่งตึงเกินไปอันหนึ่งตึงเกินไปอันหนึ่งย่อนเกินไปมันก็ต้องมีกลางกลางใช่ไหมเพราะมันเป็นข้ออุปมามัชชีมาปฏิปทานี่แหละ อริยมรรคมีองค์แปนี่แหละสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาสัมมากรมสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโม สัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบนี่อันนี้เป็นเรื่องของศีลอันนี้เป็นเรื่องของศีลสัมมาวายโม ο, สัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิมันหลอมรวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละวายมะวายโม ο, วายมาาะแปลว่าความเพียรความพยายามสัมมาวายโม ο, ความเพียร ความพยายามวายามะคือพยายามสัมมาวายโมสัมมาสติระลึกชอบพวกเราระลึกสารพัดสารเพที่นอกเหนือไปจากกายของเราจิตของเราท่านไม่เรียกว่าระลึกชอบระลึกชอบในที่นี้หมายถึ ง, ถงระลึกถึงกายของเราถึงเวทนาของเราถึงจิตของเราถึงธรรมภายในจิตของเราที่จะเรียกว่ามหาสิปฐานทั้งสี่ระลึกแบบนี้ท่านเรียกว่าระลึกชอบ อันนี้เป็นเรื่องหลักของมหาสติหลักของมหาสติกับหลักของปัญญากับหลักของวิปัสสนามันก็อันเดียวกันแต่มันเป็นขั้นตอนที่เรามาใช้เป็นบทฝึกเป็นบทฝึกหัดเป็นบทอบรม <c oughs> เป็นบทอบรมครบเคี้ยวไปเอาสตินี่แหละเอาสมาธินี่แหละหนุนปัญญา ท่นว่าเอาศีลหนุนสมาธิเอาสมาธิหนุนปัญญาสมาธิจำเป็นไหมสมาธิมีความจำเป็นจิตของคนไม่มีสมาธินั้นเหมือนเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางไม้สดชุ่มด้วยยางแล้วแช่อยู่ในน้ำอีกไม้นั้นก็คือไม้เปียกไม้สดบุรุษต้องการเอาไปสีเกิดไฟเกิดไฟไม่ได้ จิตไม่สงบเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางแล้วเอาจิตนั้นไปบริโภคกามอยู่ร่ำไปเหมือนเอาไม้สดนั้นอนะไปแช่ในน้ำอีกบุรุษต้องการไฟเอามาเสียเกิดไฟพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเน็ตเหนื่อยเปล่าเน็ดเหนื่อยเปล่าเพราะไฟกับน้ำมันเป็นปฏิปักษ์กันโอกาสที่มันจะติดไฟขึ้นมามันติดไม่ได้เพราะฉะนั้น เราต้องการจะสีไม้ให้เกิดไฟเราจะต้องเอาไม้แห้งไม้แห้งเปรียบเสมือนจิตที่มีความสงบคือจิตออกจากกามจิตสำรอกออกจากกามเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยเราสามารถเอาจิตของเราออกจากกามได้ไหมเราสามารถเอาจิตของเราออกจากกามได้จิตของเราเริ่มสงบจิตของเราจะเริ่มออกจากกามชี้ไปให้ชัดว่ากามคืออะไร กามคืออะไรกามก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสนั่นแหละอันนั้นท่าเรียก ว, ว่าวัตถุกามแต่ในจิตของเรามันมีกิเลสถ้าเรียก ว, ว่ากิเลสกามกิเลสกามกิเลสที่มันชอบอารมณ์เหล่านั้นท่านเรียก ว, ว่ากิเลสกามจิตไม่มีอารมณ์ของกามมาเกี่ยวข้องจิตดวงนั้นเหมือนกับไม้แห้งเราสามารถเอาจิตออกจากอารมณ์เหล่านั้นได้ สามารถเอาอารมณ์เหล่านั้นออกจากจิตได้ด้วยเหตุที่เราเภาวนาจิตของเราได้รับความสงบเมื่อจิตเราสงบเหมือนไม้แห้งไม้แห้งแล้วเราจะเอาไปทำให้เกิดไฟก็เกิดได้ยากอีกถ้าเราไม่ทำให้ถูกวิธีคนที่ได้สมาธิแล้วถ้ายังไม่รู้ช่องทางที่จะทำให้เกิดปัญญาก็เหมือนอย่างอุทกดาบทอารดาบทนั่นแหละได้ทั้งรูปปัสมาบัติอรู ป, ปรสมาบัติแต่ทั้งหาช่องออกไม่ได้ แต่ถ้ามีปัญญารู้วิธีเอาไมา้ตัวนั้นไปเสียเกิดไฟอาไมา้ตัวหนึ่งขวางอาไมา้ตัวหนึ่งนอนด้างล่างอาไมา้ตัวหนึ่งมาขวางเจาะทําเป็นรูสีไปสีมาสีไปสีมาก้านเสียดสีทำให้เกิดไฟปฏิกิริยาที่เราทำสมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามอันนี้คือปฏิกิริยาที่เราทำให้เกิดให้เกิดปฏิกิริยาเหมือนประกายไฟ จิตของเราที่จะไปรับรู้รูปจิตไปสัมผัสรูปเกิดความรู้สึกขึ้นท่านเรียกว่าจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณถ้าเราจะเทียบก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับเราไปสีเหล็กเอาเหล็กไปสีกับหินเหล็กเอาเหล็กไปตีกับหินน่ะเอาไปตีเช็คเหล็กบางอย่างมันไวต่อการเป็นไฟ หินบางอย่างมันไวต่อการเป็นไฟแช็คมันเป็นประกายเป็นไฟขึ้นมาเลยนะประกายตัวนั้นแหละคือไฟนั่นแหละคือปฏิกิริยาปฏิกิริยาตัวนี้แหละคือปัญญาปฏิกิริยาตัวนี้แหละคือปัญญาพอเราทําไปแล้วเกิดปฏิกิริยาเกิดไฟเป็นเป็นสเก็ดไฟนนเนี่ยเป็นสเก็ดไฟแค่นั้นแหละทุกทุกวันนี้เรามันฉลาดเห็นไหมเห็นไหมเราทําไปแช็คไฟแช็คที่ใช้แก๊สนะ่ะพอเราแช็ค เอาหินกับเหล็กสัมผัสกันปับ๊บมือของเราก็กดลงไปแล้วแก๊สมันก็ขึ้นมาชู่มันมีสิ่งมารับไฟถ้าเราจะเทียบยาณทัศนะนะทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นจากการที่เรามาขัดมาเสียดมาสีก็เหมือนอย่างเปลวไฟที่เกิดขึ้นจากสะเก็ดไฟกับเชื้อไฟนั่นแหละทให้เกิดทำให้เกิดไฟขึ้นมาได้ได้ไฟใช้นี่ท่านเทียบ ท่านเทียบมาที uh. nope. ่ว่าจิตของเรายังไม่ออกจากกามจิตของเราออกจากกามแล้วกายจิตยังไม่ออกจากกามเหมือนเราอยู่บ้านอยู่ช่องจิตของเรานึกถึงแต่เรื่องกามแม้แต่เราไม่อยู่บ้านอยู่ช่องเราไปอยู่อยู่ป่าอยู่เขาไปบวชเป็นชีเป็นพระเป็นอะไรก็แล้วก็ตามแต่ใจยังไม่สงบหมายความว่าใจยังไม่ออกจากกาม ยังเป็นไม้สดอยู่ชุ่มด้วยยางอยู่เพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงตรงนี้เราเห็นความสำคัญเราเห็นคุณค่าของความสงบคือสมาธิสมาธิมีความคือความสงบคือจิตของเราสำรอกกามออกจากจิตได้เหมือนกับไม้แห้งอุปมาอนี้มันเป็นอุปมาที่พระทูปเจ้าท่านอมาตรัสมาสอนนะมันเกิดขึ้นกับพระองค์เอง ก่อนที่พระองค์จะตัดสรุไม่กี่วันเนี่ยนี่อุ ป, ปมาที่ท่านพูดที่กาลังพูดอยู่ให้ฟังอยู่เนี่ยอ๋อชุ่มแช่ด้วยกาเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางอ๋อใจเราออกจากกามแล้วออกจากบ้านจากช่องมาแล้วแต่จิตนึกคิดวุ่นต่เรื่องกามอ๋อมีจิตยังไม่ออกจากกามเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางถึงจะไม่แช่อยู่ในน้ำ เอาไปเสียเกิดไฟก็ยังยากอยู่เหนื่อยเปล่าทั้งว่ า, านเหนื่อยเปล่าจิตได้รับความสงบแล้วถ้ า, าขาดปัญญาพิจารณาอุบายวิธีที่จะทําให้เกิดไฟก็เกิดไม่ได้เหมือนอย่างอุทกกระดาบทรารกระดาบทได้รูปปัสมาบัตรอรู ป, ปรสมาบัติได้สมาบัตรเจ็ด 7, สมาบัตรแปด 8, นั่นนะไม่ใช่ธรรมดานะแต่ไม่ไม่รู้ช่องทางเหมือนก็รู้จักทําไม้ให้แห้งแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงมันถึงจะเกิดเป็นไฟได้ แต่โดยเหตุที่พระพุทธเจ้าท่านมีบุญญาบา ร, รมีท่านรู้รู้วิธีทมทำให้เกิดไฟขึ้นมาได้ก็เหมือนอย่างเราอาไม้ตัวหนึ่งมามาวางลงเอาไม้ตัวหนึ่งมาขวางแล้วทุกปทุมาทุมาทุไปทุไปทุมาอเอาเศษอะไรที่มันติดไฟได้ง่ายๆไปใส่นี่อันนี้วิธีทรมาทไฟโดยหลักธรรมชาติมาสมัยวิทยาศาสตร์ไฟแช็คไฟแช็กเ ก, ก็เห็นไหม ปล่อยแก๊สไปแลยชู้เราปล่อยสั้นก็ได้ปล่อยยาวก็ได้นี่เราเอามาเปรียบเพราะฉะนั้นปัญญาที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเหมือนอย่างหินกับเหล็กมันสัมผัสกันช็คปัญญาเกิดเช็คปัญญาเกิดเช็คติดขึ้นเหมือนอย่างไฟมันกินแก๊สเนี่ยนี่ลักษณะเหมือนปัญญายานเราถูไปแล้วแหละสมมติเราถูถูไม้แห้งถูไปถูไปถูไป เหมือนอย่างพวกเราเนี่ยเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำไปทำไปทำไปเหนื่อยแล้วก็หยุดเหมือนกับเราสีไม้แห้งน่ะสีไปสีไปสีสีเหนื่อยแล้วหยุดสีสีสีหยุดสีๆีหยุดเมื่อเราหยุดความร้อนมันก็หายไปแล้วคิดได้อีกสีอีกสีแล้วก็หยุดสีสีสีแล้วก็หยุดเราพูดถึงอุปมาข้อนี้ทำให้เราได้ข้อเปรียบเทียบมาที่ตัวเราเราเป็นบุรุษเช่นใด ทำไมสีไงถึงจะเกิดขึ้นเป็นไฟท่านบอกให้สีสม่ำเสมอแล้วก็นหนักหน้าเข้าไปเรื่อยไม่ยอมหยุดเพราะไฟที่มันติดเป็นเปลวขึ้นมาได้มันจะสังสมในตัวของมันสีสีสีสี ส, ส, สีจนแสดงลักษณะความเป็นไฟปรากฏมีควันปรากฏมีเข่ า, าดำดำปรากฏมีฐานแดงแดงปรากฏขยายบเอาลองทานแดงแดงปรากฏลองหยุดลองดูพอหยุดมันก็ดับไปแล้วความร้อนมันหมดมันก็ดับไปแล้ว คิดดขึ้นได้ถูอีกนี่ครูบาอาจารย์ท่านถึงว่าเด่นตายเด่นตายมันเด่นตายตรงนี้จริงๆนะเด่นตายตรงนี้จริงๆอิงไม่ได้ให้ตายไม่ตายให้ได้ไม่ได้ให้ตายไม่ตายให้ได้ให้ติดให้ติดให้ติดไม่ติดไม่หยุดไม่ติดไม่หยุดขยับกันฟุบลุกเป็นเปลวไฟขึ้นมาอันนี้เป็นอุปมาเป็นอุปมาในการทําความภาคความเพียร เราจะได้เอามาเทียบเคียงที่ที่จริตนิสัยที่เราตั้งใจปฏิบัติมากี่สำนักกี่ครูกี่อาจารย์ที่เราไปฝึกฝนอบรมมาเราได้อะไรบ้างควาภาคความเพียรเรามีมากน้อยเท่าไหร่เราเอาอุปมานี่มาเทียบมาเคียงเราจะรู้ได้ทันทีว่าโอ้เรามีกายยังไม่ออกจากกามโอ้เรามีจิตยังไม่ออกจากกามพอเรามีกายออกจากกามแล้วจิตของเราได้รับความสงบแล้วปีติอิ่มเ อ, อิบ ชุ่มแพร่เย็นสงบอยู่กับความสุขอันนั้นไม่ขยับที่จะให้เกิดปัญญาเหมือนกับเปลวไฟมันยังไม่เกิดไม้แห้งกระตามเปลวไฟมันยังไม่เกิด ไ, ไฟเกิดยังไม่ได้ต้องเอาอันนี้มาขัดมาสีต่อเนื่องไปไม่หยุดนะจนลุกขึ้นมาเป็นเปลวไฟได้ไฟใช้อันนี้เป็นข้ออุปมาอุปมากับพวกเราพวกเราอยู่ครองเรือนเราสามารถเอาจิตออกจากกามได้ หมายความว่าเราภาวนาให้ใจสงบนี่แหละอ่าวิสาขเศรษฐีท่านก็ไปภาวนากับพระพุทธเจ้าทุกวันทุกวันไปฟังเทศทุกวันทุกวันทุกวันจนท่านได้บรรลุเป็นพระอนาคามีสมัยพุทธกาลนะอ่าภรรยานางธรรมทินนานางธรรมทินนาเนี่ยวันที่ได้เป็นพระอนาคามีกลับมามาบอกเลิกทุกอย่าง เอออันนั้นเธอก็เอาไปสับสมบัติอันนั้นเธอก็เอาไปอันนี้ก็ เ, เอาไ ป, อนนาอาไปบอกคืนหมดว่างานเถอะเราเคยเกี่ยวข้องกันต่อไปนี้เราเลิกเราเลิกยุ่งเราเลิกเกี่ยวข้องกันอย่ังไงนันงไง น, นางธรรมทินนารู้ได้ว่าโอ้สามีของเราเนี่มีคุณธรรมนางก็ไม่ยอมรับอะไรสักอย่างขอไปบวชก่อนนางธรรมธินนาขอวิสาขาเสียฐีไปบวชก่อนเอ๊ะท่รรนานเสียฐีท่านได้คุณธรรมถึงขนาดนี้อคือจิตมันข้ามพ้นจาก ความผัวพันในกามทั้งหลายทั้งปวงได้รวมไปถึงยอดของกามที่ะเรียกว่ากามมราคานะน่ะข้ามพ้นไปหมดแล้วเราดูที่จิตมันละเอียดขนาดไหนมันสามารถข้ามพ้นไปได้นางเลยไม่ยอมรับอะไรสักอย่างขอบวชวิสาขะเสถีก็เลยให้บวชก่อนนางตั้งใจปฏิบัติไม่นานได้เป็นพระอรหันต์ก่อนวิสาขะเสรษฐีนะ่เราดูถูกกันได้ที่ไหนอ่ะ ปฏิบัติถูกมีช่องทางทําถูกปฏิบัติถูกผลทั้งหลายทั้งปวงเราก็เกิดขึ้นมาเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากเหตุเหตุถูกมันก็มีผลตามตอบตอบรับมาเหตุไม่ถูกมันก็มีผลที่ไม่ถูกนั่นแหละตอบรับมามันมีผลทั้งนั้นแหละเหตุถูกเหตุไม่ถูกมันก็มีผลตามมาเท่านั้นแหละเหตุไม่เหตุไม่ถูกมันก็มีผลไม่ถูกตามมาเหตุถูกมันก็มีผลถูกตามมานี่คือคุณสมบัติ ทั้งหมดนี้ก็พูดใบให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังพอเป็นเครื่องเตือนจิตจกิจใจบางคนก็ไม่สนใจเอาแต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธจิตสงบอิม่มอยู่กับพุโทโธของตนเองอันนั้นคือผลรายได้ของเราแท้ๆถ้าใครเกาะอยู่กับเสียงอัดเสียงธรรมเราก็จะได้เป็นกรุยหมายป้ายทางได้อุบายได้วิธีได้ข้อปฏิบัต จะทำให้เราเข้าใจลึกซึ้งถึงความละเอียดละออของธรรมรู้วิธีทางรู้แนวการรู้ว่าขั้นตอนที่จะทําให้เราปฏิบัติจนได้อาจได้ทำเราทํำยังไงโดยเอาอุปมาเนี่มาเทียบอืเราพอใจอย่างนี้ทําได้แค่นี้วันนี้ทําได้แค่นี้วันหน้าทําก็ได้แค่นี้ไม่ไปหน้าม า, มาหลังหนักๆเขา้าถอยหลังเข้าอีกขยับไปหน้าแล้วยังไม่ได้ถอยหลังอีกแล้วจะได้อะไร ถอยหลังก ас volumes, ас ็ห่างเข้าไปเรื่อยห่างไปเรื่อยหมายเขาว่าเราพยายามเดินสู่เป้าขยับไปแล้วมันก็ขยับมันก็ใกล้เข้าไปเรื่อยใกล้เข้าไปเรื่อยใกล้เข้าไปเรื่อยโอ้ไม่ได้อะไรเลยว่างั้นเถอะเดินถอยหลังคือหยุดหยุดหรือมันก็ถอยหลังพอถอยหลังมาเอ้าแทนที่จะใกล้เข้าไปห่างเข้าไปเองแล้วห่างเข้าไปห่างเข้าไปห่างเข้าไปห่างเข้าไปทิ้งจนหมดเนีใจร้อนเกินไปอื ปัญหามันมีเกิดทุกระยะทุกขั้นทุกตอนในขณะที่เราตั้งใจภาวนาให้เราพยายามพิจารณาคลี่คลายทุกขณะทุกระยะทุกเวลาปัญหามีทุกขณะจิตทีเดียวไอตัวปัญหาก็คือตัวตัญหาที่อยู่ในใจของเรานะั่นนหะคือตัวปัญหาตัวตัญหานั่นแหละมันเป็นเจ้าปัญหาที่มันมีอยู่ในหัวใจของเราตัวตันหา ตัวปัญหาเพราะฉะนั้นเราพยายามขับเคี่ยวเพื่อให้รู้เพื่อให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้หมดสิ่งเหล่านี้แหละคือหมดปัญหามีเหลือน้อยก็คือปัญหาก็มีน้อยปัญหาก็คือเหตุเกิดของกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงต้องมาตามแก้ต้องมาตามนู่นตามนี่เรามาแก้ระดับชีวิตของเราเกิดแก่เจ็บตายนี่หมายความว่าวิชาที่เราพยายามมาแก้ให้หมดสิ่งเหล่านี้ มันง่ายหรือมันยากไมครับพุทธเจ้าท่านจะทรงสร้างบารมีสี่อสองขยแสนมหากับแปดอสองไขยแสนมหากับแต่ละพระองค์พระองค์พระเสียระยะเม็ดไตรไ ข, ของเราเนี่สยสิบหกอสงไขยแสนมหากรับเนี่ยที่ท่านจะม า, อาบอวดเนี่ยนี่เกิดในกรับนี้นะในพัทธกรัปพัทธกรัปองค์สุดท้ายพัทธกรัปนมีห้าองค์ท่านบรรลุ ก, กันไปหมดแล้ว พระ ก, ะกุสันโทพระโกนาคัมโนกัปสโปพระโ ค, ค, โโะโคตโมที่เรากําลังรักษาศึกษาศาสนาอยู่เนี่ยถ้าเราไปยังไม่ได้ด้วยเรี่ยวแรงที่เราตั้งออกตั้งใจทําเพื่อจะข้ามผ่านพน้พนไปให้ได้เราก็ยังพอมีเกรดมีดีกรีมีบุญพอที่จะไปเกิดฐานศาสนาพระศรีอริยเมตไตรถ้าถึงตอนนี้แล้วเรายังไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยเราขาดคุณสมบัติแล้วสอบไม่ผ่านแล้วไม่มีเกรดเกรดไม่พอดีกรีไม่พอผ่านไม่ได้ เวลายุคที่พระองค์เม า, เาบัต์นั้นน่ะยุคนั้นน่ะคนมีบุญมาเกิดยุคนั้นคนอายุสองหมื่นปีโอ้พวกเร า, มาไม่รู้ไประยุ ค, คุบไหนกันแล้วตอนนั้นตับางทีก็มัวแต่ไปสนใจในเรื่องอย่างอื่นตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์นัน้นนู้นเวลาพระองค์เม า, เาบัต์แล้วเราก็มัวแต่สนุกสนานบนสวรรค์นู้นนั้นไม่ได้ลงมามาเห็นกับพระองค์แต่บนสวรรค์เขาเขายังมีโอกาสเหมือนอย่างพุทธเจ้าไปแสดงให้กับพวกเทวดาทั้งหลายก็ฟัง เทวดาทั้งหลายมันลุเป็นกดโกรธมันไม่ใช่น้อยๆเหมือนมนุษย์เรานะเทวดาเขามาฟังเป็นกดโกรธมันลุทําเป็นกดโกรธอยู่ในสรนารณคมเป็นโกรธนะเทวดาตามตำนานพระอินทร์เราเนี่ยท่านก็เป็นพระสวัสดิ์บัณฑ์มาฟังเทศพุทธเจ้ามาฟังเทศพุทธเจ้าที่ถ้ำอ่าอะไรอินทสาระคูหาเนี่ยพระอินทร์เนี่ยมาฟังธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมพระอินทร์เนี่ย อตอนนี้ท่านกำลังสวยความสุขแปร่ยังไง น, นางวิสาขาเนี่ยอนัฐาบินธิกะเศษเรษฐีพวกนี้นางวิสาขาได้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบตลอดอายุไขข้องนางนางก็ได้แค่นั้นแหละเพราะทำงานยิ่งใหญ่ให้กับพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนแม่บ้านเหมือนั่นเถอะเลี้ยงดูคนในครอบครัวคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านางวิสาขานัฐินทิกะ ก็เป็นอุปทาที่สำคัญมากาได้สกัาคามีอนาธาบินธิกะพวกนี้คขาบอกว่าดับขี้ไยชนไปแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็บรรลุธรรมไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไเอยไม่ต้องมาเกิดลงามาเกิดในโลกมนุษย์อีกประเภทว่ายินดีเพลินไปในเทวโลกแล้วก็บรรจุนุ่นขึ้นไปจนถึงนุ่นสุดทาวารพรหมโลก ค่อยขยับขึ้นไปจนถึงขั้นอคติทพนัหนึ่ะอคติทพภ์แล้วก็เหมือนมาเหมือนผลไม้สุกงอมหมดอย่างอ่าผลมะม่วงที่มันสุกงอมหมดอย่างที่คั่วมันน่ะะมีลมก็ตามไม่มีลมก็ตามมีใครเขย่าก็ตามไม่มีใครเขย่าก็ตามหล่นลงตึ๊บ <c oughs> เข้าสู่นิพพานหมดทุกหมดโทษในวัฏสงสารนี่เราสิ่งเหล่านี้เราฟังเพื่อให้เกิดคํา ก็เกิดกำลังใจเกิดสติเกิดปัญญาเกิดกำลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะทำให้เราตึกเหยียดตะกายทำไมวาดมนโนภาพดูแล้วเหมือนโอ้โหเหมือนรู้ราชวนให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับสิ่งเหล่านั้นทำให้เราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็น เบื่อนายกองทุกข์กองโทษที่เราประสบพบเห็นอยู่อย่างทุกวันนี้อันนู้นก็จําเจอันนี้ก็จําเจอันนั้นก็ปัญหาต้องแก่อันนี้ก็ปัญหาต้องแก้สารพัดปัญหาที่เราจะต้องแก่แก่อันนู้นก็ยังไม่พอแก้อันนี้ยังไม่พอโอ้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอันนู้นมาเกาะอันนี้มาเกาะอันนู้นมารุมมาตุมีแล้วมาหวานมาเกาะตับมาเกาะมาเร็งมาเกาะเนี้ยมันก็มาเกาะไปหมดโอ้แก้ปัญหาไม่จบไม่สิ้นสี่งนี้คือกองทุกข์ เสร็จแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาพื้นพื้นโลกนี้คือมีอยู่ยางนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกพระเจ้ทาท่านพิจารณ า, า, า, าท่านจึงปล่อยพิจารณาท่านปล่อยพิจารณาท่านจึงทิ้งพระเจ้าท่านเท่านั้นแหละมีปัญญามาพิจารณาพาพวกเราพิจารณาแล้วก็ปลงแล้วก็ปล่อยและอัตตานุทิฏฐิเพื่อเข้าถึงความสุขความเจริญอย่างแท้จริงอพอสมควรแก่เวลาแค่นี้ก่อน คำถามสามคำถามครับเอาเลยได้เลยครับคำถามที่หนึ่งครับอะไรเป็นสาเหตุของนิวรณห้าหากมีนิวรณห้ามากจะมีอุบายวิธีแก้ไขอย่างไรกามาฉันทะก็เจ้าตันหานั่นแหละก็บอกแล้วว่าเจ้าปัญหา ตัณหาคือความดิ้นรนความทะยอทะยานความอยากการมชันทะคิดนึกเรื่องกามคำว่ากามมันมีทั้งกามพื้นพื้นรูปเสียงกลิ่นรสผลตะาพพื้นพื้ น, น, นธรรมดารวมไปถึงยอดกามกามราคะนี่คือสาเหตุของมันคือตัณหาตัณหาคืออะไรตัณหาคือความทยานอยากของจิตความหลงความเพลินของจิตความมืดบอดของจิตเกิดมาตั้งแต่พร้อมกับธาตุรู้ของเรา เราได้มาตั้งแต่กลับกันบูเรนต์ชาติไหนเราก็ทราบไม่ได้ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องเกิดด้วยเหตุที่เรามีสิ่งเหล่านี้เราจึงอุบัติขึ้นมาแล้วก็คลุกเคล้าไปกับพบน้อยพบใหญ่พบสูงพบต่ำอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นอุบายแก้ไขก็คือแก้ไขตัณหานั่นแหละแก้ไขตัณหาใช้อะไรใช้สติใช้ปัญญาใช้ศินหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาเราบอกมาชัดๆที่แนวปฏิบัติก็คือหลักการเจริญมหสติ การที่เราทำจิตให้สงบเบื้องต้นเราทำจิตให้เขาเราได้รับความสงบพอสงบแล้วเราพยายามเจริญสติเจริญสติคือกำหนดจดจอ่อพิจารณาจ่อมาที่กายของเราพิจารณาที่กายของเราหรือไม่เรานั่งนานา น, านี้เราปวดเนี่ยเราก็จ่อมาที่เวทนาเวลาอัตตาตัวตนมันโผล่หมายความว่าตัณหามันโผล่ตัณหาโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรอัตตาตัวตนมันก็โผล่มันจะยึดว่าโอ้เราปวด เนี่ยมันยึดว่าเราวปวดแท้ที่จริงเวทนาก็คือศักทวาเวทนาวิธีปฏิบัติท่านให้ดูให้เห็นสักทวะเวทนาเอาสนิกําหนดจดจอ่อกำหนดรู้ว่าโอ้เวทนาปวดเอาผู้รู้ของเราไปอยู่ท่ามกลางความปวดเจาะอยู่เพลอไม่ได้นะเพลอไม่ได้เพลอตันหามันสวมรอยมันสวมรอยมันผายยึดยึดว่าเราวปวดเพราะฉะนั้นท่านจึงว่ามันยึดกายเป็นเราเวทนาเป็นเราจิตเป็นเรา ทำเป็นเราอะไรขึ้นชื่อว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเนะี่ยถือว่าตันหามันโผล่ขึ้นมามันลุคลํำเราทำนั้นเราก็ละเราก็ละต้องละตันหาจเจริญด้วยบทมหาสติกาหนดจดจอยืนก็มีสติเดินก็มีสตินั่งนอนมีสติในอิริยาบทที่เราเราทำทำงานเราก็สามารถจเจริญสติได้จะหยิบจะล้างจะเช็ดจะเก็บ จะเมียนจะกวาดจะถูจะอะไรอยู่กับสิ่งเดียวอยู่กับเรื่องเดียวไม่ใช่มือทําอย่างหนึ่งจิตคิดล่องลอยไปไหนก็ไม่รู้อันนั้นไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่วิธีปฏิบัติธรรมแต่เราอาจจะคิดว่าเราฉลาดก็ได้เ อ, อมือเราทําอย่างนี้จิตเราคิดอย่างอื่นได้งานสองอย่างไม่ใช่ไม่ใช่วิธีปฏิบัติธรรม ว, วิธีแบบนั้นสงบไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ทําสุ่มดาไปอย่างนั้นเนี่ยทําไปตามนั้นของความคล่องเรากําหนดดู เช่นอย่าเราเจ็บเราปวดดูดูที่ความปวดความปวดมันศักดิ่สิทธิริยาของความปวดเอาผู้รู้ของเราจ่อไปที่ความปวดหลวงตาท่านยิงเน้นมากหลวงตาท่านเน้นให้กําหนวจดจ่อไปที่เวทนาอย่าให้เรามันโผล่ขึ้นมาว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาอย่าให้โผล่ขึ้นมาเด็ดขาดเวลามันโผล่ขึ้นมาเรารู้ไหมเวลามันโผล่ขึ้นมาเราก็รู้โอ้ยเราเจ็บโอ๊ยเราปวด เราดูตรงนี้มันจะเห็นง่ายนะเราดูตรงที่อื่นเราดูจะเห็นยากเราะดูความสุขมันก็ยังมองยากแต่เราดูความทุกข์เนี่ยมันมองมองง่ายเพราะความทุกข์ทุกขเวทนาเนี่ยเรามองง่ายทาไมเราจึงมองง่ายเพราะมันต้องอดต้องทนทุกขเวทนาต้องอดต้องทนเหมือนกับเรานั่งทับไฟอย่างเงี้ยเราได้เห็นเรายึดว่าเวทนาเป็นเราเนี่ยเดี๋ยวพลิกเดี๋ยวก็เปลี่ยนเนี่ยนั่นแะคือตัณหามันเกิดแล้ว ตัณหามันสวมรอยเมื่อตัณหามันเกิดอุปาทานมันก็เกิดยึดเอายึดเอาทันทีมันมาพร้อมกันเพิบเดียวเลยนะไม่ใช่ไม่เกิดเป็นละลอกละหลอกละลอกละลอกละหาแท้ที่จริงพระพุทธเจ้าท่านจึงมาแยกแยกเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นย่วมเป็ช่วงแต่เวลามันเกิดชึกเดียวมันถึงกันหมดนี่ลองเรากําหนดดูไม่ให้ความหยาบมันเกิดขึ้นใครสามารถทําอย่างนี้ได้นั่งได้ทั้งคืนนั่งทิ้งไปเลยทําได้อ่า นี่วิธีวิธีหนักนะอาวุธหนักทีเดียวเลยแหละใครเอาตรงนี้ได้สนุกมากลองดูสิละอย่างนี้ตัดอย่างนี้วางอย่างนี้นี่บอนการพชัญทะพยาบาทความโลภเกิดความโกรธมก็เกิดความข่องใจสงสัยมันก็เกิดความความงงเหงาเหานอนความฟุ้งซ่านรำคาญมันก็เกิด <c oughs> เพราะมันขาดหลักขาดหลักคือขาดขาดหลักความเพียรขาดสติขาดสัมผััญญาขาดหลักจากนั้นแล้วลังเลสงสัยอีกทั้งหากอยากทั้งอยากทําทั้งไม่อยากทําำจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่านิพานสวรรค์นิพานมีจริงหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าทั้งนั้นอะเราก็เอาเอาความโง่ของเรามาปฏิเสธความโง่ของเราเอาความโง่ของเรามาปฏิเสธความโง่ของเราอ่ะมาปฏิเสธความ รู้ที่เราจะคิดรู้หรือคนอื่นคิดรู้เอามาปฏิเสธเหมอนลุงตาท่านว่าอปฏิเสธแบบ oded, ตบบาบอดน่ะตาบอดปฏิเสธไม่มีไม่มีไม่มีมมมมตึ้งเลือดสะเลือดสาเนั่นโอ้เลือด เ, <bamboo> เ, เยอะมันถึงจะรู้ว่ามี เ, าเาสาเสาเสาวเสาไม่มีไม่มีมันไม่มีมันไม่มีตามันไม่ดูจึ้ง <bamboo> ตาบอดชนต้นไม้ตาบอดเดินไปเดินไปเนไปชนต้นไม้จึง้งหึ่กูตั้งใจพยายามจะชนตั้งหลายวันแล้วเนะี่ะแทนที่จะหันไปหาต้นไม้หันไปไหนกูจะเอามือตั้งหลายวันเำไนีทานขำๆของท่านตาบอดบาบไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีก็เราเพราะเรามันตาบอดมันจะเห็นอะไร หลุมหลุมหลุมลุ ม, ลมไม่เห็นมันจะเห็นอมันไม่มีตาตาบอดต้มโอโครมลงไปน้ำน้ำน้ำตกน้ําตกน้ําครมลงโอ้นาตามันไม่เห็นพวกเราที่มันดื้อเพราะอย่างนี้แหละเพราะเร า, เราขาดขา ด, ขาดการพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลหนึ่งขาดการรู้เห็นแจ่มแจ้งด้วยตัวของตัวเราเองอย่างหนึ่งความเลื่อมใสในพระเจ้าพระธรรมพระสงค์ มันก็เกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีหลักในใจนั่นแหละแต่ถ้าเรามีหลักเราก็พิจรารณาโดยที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานมีจริงหรือไม่มีจริงพระธรรมคําสอนของพระองค์พระธรรมเป็นเหตุให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้เราได้ทำมาใช้พระสงฆ์ฟังธรรมะต่อจากท่านดูไปแล้วก็ไม่ใช่ใครก็คือเราเนี่ยแหละพวกเราทุกคนนี่แหละเป็นพระสงฆ์ถ้าใครได้เข้าถึงธรรม เป็นพระสงฆ์เป็นโยมนี่ก็เป็นพระสงฆ์เป็นสาวกสังโฆพวกเรานี่เป็นสาวกผู้หญิงก็สาวิกาผู้ชายก็เป็นสาวกสาวกคือผู้ฟังเอาคำสอนของพระองค์ไปถือตามไปราพฤตตามไปปฏิบัติตามจะคือใครจะเป็นใครก็พวกเราเนี่แหละเป็นพระสงฆ์จะคือใครเราพิจารณามาอย่างนี้เราก็เห็นบุญเห็นคุณความเลื่อมใสความจทหามก็เริ่มนี้ คนเรามันที่มันที่มันไม่ทําเพราะว่ามันไม่มีไม่มีความเมตไส์ศรัทธาเอาเอกครับขอบคุณที่เมตตาแล้วข้าพเจ้าถามต่อไปขอหลวงปู่เมตตาสอนว่าเดินจงกรมคืออะไรแล้วก็เดินอย่างไรครับเดินจงกรมคืออะไรเดินอย่างไรการก้าวไปเนี่ยเขาเรียกว่าเดินจงกรมจังกมะจังกมะ จงกรมภาษาบาลีจังกมะมจงกรมการเดินเข้าไปก้าวไปการก้าวไปนะี่เขาเรียกว่าเดินจงกรม <laughs> จะไปสงสัยอะไรเดินจงกรม <laughs> เดินจงกรมเพื่อเอาสติเอาสัมผัสัญญาของเรามากำกับอยู่กับอิริยาบถ ท, ที่เราเดินอิริยาบถ ท, ที่เราเดินเป็นอิริยาบถ ท, ที่เราตื่นมันนี่มืมันเรานั่งนั่งเคลิ้มหลับได้ง่ายแต่เดินมันหลับยาก เพราะฉะนั้นให้เราดำรงสติให้มั่นพิจารณาสติปัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราเดินมันเป็นสติปัญญาที่ชัดเจนแหลมคมถ้าใครได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจในระหว่างที่เราเดินคนนั้นจะเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานให้กับจิตได้เป็นอย่างดีไม่เหมือนเรานั่งนั่งคลำเลิ้มบางทีจิตยังไม่ตื่นยังไม่รู้ยังไม่อะไรเพ้อเว่อรอวาวะมากอ้เ ห, นน ون, เห็นนู้นเห็นนี่ศิลปะดูให้ดี แล้วแต่เราจะกําหนดบางคนเ้ากําหนดพองอยกหนอเหยียบหนอคือกรรมฐานหนอ อ, นนอันนั่นก็คือการฝึกสติเขาก็บอกวิปัสสนาวิปัสนปสนาแต่ครูบาอาจารย์ทางเราท่านใช้คำว่าปัญญาปัญญาพองหนอยุบหนอหรือย่างหนอเหยียบหนอย่างหนอเหยียบหนอก็คือเอาสติมากํากับจิต ในเมื่อจิตมันว่าหนอหนอจิตมันก็ไม่ไปไหนมันแ็อยู่มันก็สงบใช่ไหมมันสงบไหมมันก็สงบเบื้องแรกได้รับความสงบแต่ความสงบด้วยการพิจารณาทางด้านปัญญานี้มันสงบมันแนบแน่นมันละเอียดมันชัดเจนกว่าชัดเจนกว่าที่เราภาวาให้ใจสงบธรรมดาใจสงบธรรมดาแนบแน่นเป็นหลักเป็นเกณฑ์แท้จริงจนมีฤิมีเดชมีอภินญาภายในจิตของเรา จนเป็นปัญญาเป็นเป็นญาณความยังรู้ความกําหนดรู้อะไรอะไรมันละเอียดที่เขาเรียกว่าพลังของจิตมโนมยิฐทิพลังของจิ ต, มมม พ, ลจตพลังของจิตมันเป็นได้พลังของจิตเน่ยพวกเราก็มีกันหมดเลยเดินพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเดินพองเนาเดินยกหนอเหยียบเนาะยกเนาะเหยียบเนาแล้วก็ว่ากันไป เดินพิจารณาบทธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่เราจะถ น, นัดเดินจนจมเดินเอาสติเดินพิจารณาบางทีมันหมุนอยู่ในจิตของเราเนี่ยจนตาแทบไม่ได้มองอะไรละเดินมันเดินทะลุเข้าป่าไปเลยก็มีเดินพิจารณามันหมุนอยู่ข้างในเนี่ยนั่นถึงขั้นหมุนจริงๆมันก็เป็นเราก็สะสมไปตั้งแต่อย่างนี้แหละเอาต่อไปยิบแล้วและประโยชน์ ประโยชน์เกิดขึ้นอย่างไรครับของการเดินจกักเกิดประโยชน์เกิด<ะ>ขึ้นก็คือรู้เห็นกิริยาของจิตของเรารู้เห็นกิริยาของกายของเรารู้เห็นกิริยาของธรรมรู้เห็นกิริยาของกิเลสเมื่อในเมื่อมีสติกำกับและอะไ ร, ระโผล่ขึ้นมาก็รู้อะไรโผล่ขึ้นมาก็รู้อะไรโผล่ขึ้นมาก็รู้อะไรโผล่ขึ้นมาก็รู้เป็นเหตุทําให้เราก้าวไปรู้อ น, นิจจงทุกขังอนัตตานั่นคือประโยชน์ของมันทําให้เราได้รับความสงบ ทำให้เราได้รับปัญญานั่นคือประโยชน์ของมันเราก็ได้คลี่คลาอิริยาบถนี่ก็อย่างหนึ่งอย่าลืมว่าคนเรานั้นถ้าเรานั่งอย่างนี้ทั้งวันเราก็ไม่ไหวเราต้องลุกยืนลุกยืนเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอิริยาบถมันบังทุกข์โดยเหตุที่เราพลิกเปลี่ยนอิริยาบถนี่เองเราจึงไม่มีทุกข์เหมือนอย่างเรานั่งท่าเดียวเนี่ยเรานั่งตลอดเราไม่พลิกเราไม่เปลี่ยนทุกข์ไหมทุกข์ทุ ก, ท ก, ทกข์เเวทนา อิริยาบถ ท, ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันยืนเดินนั่งนอนเพราะเรายืนเหนื่อยเราก็นั่งนั่งเหนื่อยเราก็เดินเดินเหนื่อยเราก็นอนนอนนอนทั้งวันก็ไม่ได้เห น, นื่อยลุกยืนเดินนั่งนอ น, น, อนพลิกเปลี่ยนอิริยาบถการพลิกเปลี่ยนอิริยาบถการเดินมันก็เป็นอิริยาบถส่งผลมาที่ร่างกายของเราไม่งั้นร่างกายของเราก็วิกฤตวิกาเป็นอมพตะเป็นอมาพาสนวดแล้วนวดอีกบีบแล้วบีบอีเรามาดูที่ ครูบาอาจารย์ที่านมีนวดนวดเดี๋ยวนวดเดี๋ยวนวดก็เพราะอะไรเพราะถ้ามันนั่งทิ้งนี่แหลรร่างกายเส้นเอ็มันแปรปรวนมันผิดรูปผิดระเบียบมันไปหมดแหละอืมเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้หรอกอครูบาอาจารย์ทําไมท่านนวดเช้านวดเย็นนวดเพราะเวลาท่านนั่งท่านนั่งทิ้งไปเลยร่างกายมันไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถมันก็วิกลวิการเพราะกายก็คือกายจิตก็คือจิตอืม การเป็นรูปหยาบเอาอีกครับกับเรียนถามค่ะหนึ่งจิตชอบสร้างจังหวะให้พุทโธแบ่งเป็นช่วงๆผิดหรือไม่คะก็ได้มันอยู่ที่เราจะจัดการเราจะจัดยังไงเราจะทํำยังไงยังไงเราจะสะดวกสบายกับจิตนิสัยของเราเราก็ทำขอให้มันอยู่ขอให้เอาขอให้จิตของเราอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับจิตจิตอยู่กับพุทโธสติอยู่กับจิตจิตอยู่กับ สติพุทโธอยู่กับจิตจิตอยู่กับพุทโธสติจิตพุทโธให้มันเป็นอันเดียวกันคาถามที่สองนะครับเวลาภาวานาพุทโธ ท, ที ท, ทจะไม่เป็นคำนะครับแต่จิตรู้ว่าจดจ่ออยู่กับที่ตรงนั้นถูกหรือผิดคะ่อได้ทียิบ สติก็ต้องเจา อ, อยู่อย่างนั้นนะแล้วว่าทีๆก็ได้แต้ว่าเราส่งจิตไปที่อื่นแล้วปากพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธธจิตไปไหนก็นไม่รู้มันก็เปลี่ยนได้อา่าสําหรับคนห ย, ยาบๆที่เคยเคยยังไม่เคยฝึกฝนอารมณ์คนที่เคยฝึกฝนมามากแล้วอา่าดําบิมากเท่าไหร่มันก็อยู่มากเท่านั้นเช่นอย่างเรา ต้องการจะให้จิตมันอยู่เพื่อที่จะเพื่อที่จะลบล้างเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งรูปอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราพยายามพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้มันไม่ให้มันเกิดช่องให้สิ่งเหล่านั้นมันแทรกเข้ามาได้เนี่ยหนี่ว่าสามารถทําได้หลวงตาหลวงตาท่านว่าเอาที่ยึบก็ได้เอากํากับลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้อืม หมดแล้วครับขอพระคุณเจ้าไม่ตาตอบคำถามครับหมดแล้วก็พอสมควรแก่เวลา <c oughs> แล้วก็เย็นนี้ก็ท่านท้าพาทำวัดสวดมนต์